พระเถระนเทระพระปริยตินิเทศที่เคารพพระนักงเถทุกรูปครับการนิเทศการศึกษาเป็นบทบาทของที่ปรึกษาซึ่งในวงการศึกษาของนานาชาติเนี่ย เขาสรุปบทบาทไว้ของนิยติเทศการศึกษาเนี่ยไว้โดยหลักๆเนี่ยสารประการประการที่หนึ่งก็คือในฐานะผู้กากับดูแลและก็ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของครูบาอาจารย์ กำกับดูแลก็หมายถึงเป็นหูเป็นตาให้กระทรวงศึกษาธิการมเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายหรือประกาศอะไรออกไปเนี่ยให้โรงเรียนปฏิบัติเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติหรือไม่มก็อยู่ที่ศึกษานิเทศมันจะเป็นผู้กากับดูแล ท่านทั้งหลายมารับฟังนโยบายของแม่กองธรรมแม่กองบาลีท่านมีนโยบายไม่ใหม่อย่างไรให้ถือปฏิบัติในระดับร่างลงไปแล้วแต่ว่าท่านดูแลระดับระดับไหนประเภทใดเขาทำหรือไม่ท่านก็มีหน้าที่ไปชี้แจงให้ทำ ทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลก็ประเมินรายงานกลับมามันก็จะเป็นบทบาทของข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นบทบาทของพัฒนาใ ห, ให้ทำให้ทหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาครูโดยการให้คำแนะนำการจัดอบรม การสนับสนุนบทบาทข้อสองเนี่ยกับบทบาทข้อหนึ่งเนี่ยบานทัังมันมันขัดกับความคาดหวังของสถานศึกษาจึงไม่แปลกที่พระปริยตินิเทศเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทโดดเด่นในเรื่องข้อหนึ่ง เราจะทำข้อสองพูดถึงข้อสองเกิดเยอะแต่จริงๆเขาคาดหวังให้ท่านเป็นไม้เป็นมือเป็นแขนเป็นขาในเรื่องของการกากับดูแลผมยกตัวอย่างเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่พูดกันมากให้สถานศึกษาประกันคุณภาพตนเองเนี่ยเราทำหน้าที่ทั้งในการแนะนำ ว่าประกรันนี่คือทำอย่างไรสนับสนุนขาดสื่อขาดอุปกรณ์ขาดอะไรงไงเราก็ส่งเสริมเรื่องการประกันคุณภาพแต่ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่อาจจะไปข้าว่วงในการสั่งการและในการที่จะประเมินว่าทำหรือไม่ทำกลับไปที่ระดับสูงเราก็ไม่ค่อย โดยวัฒ น, นธรรมเราก็ไม่เคยทำกันซึ่งต่างจากการประกันคุณภาพของข้างนอกนอกวัดล่ะหรือการประกันคุณภาพของโรงเรียนพระบิธรรมแผนกสามัญศึกษาได้เป็นได้ตกเป็นตกผ่านประกันหรือไม่ผ่านการประกันโรงเรียนแห่งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเขาประเมิน แม้แต่มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผมดูแลอยู่ก็ประเมินทุกปีโดยสอกอส่วนสมศตอนนี้พักไปเราสอรกอก็คือสำนัก ง, งานคณะกรรมการดูกศึกษามาประเมินทุกปีแล้วก็จะต้องให้คะแนนเราและต้องปรับปรุงเรื่องอะไรระบบนี้เนี่ยระบบการตรวจสอบการประเมินอะไรต่างเนี่ยไม่มีอยู่ โดยที่แบบของสอก อ, อเนี่ยเขาไม่ได้ทำหรือสอพฐก็ทำคณนกรรมการกานสาข้นพฐานซึ่ ง, าาางมาประเมินพรอไปทำแหนก ส, สามาสาัญศึกษามไม่ได้ก้าวล่วงมาในด้านบาลีนักทรรมถามว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยใครทำแล้วจะทำอย่างไรเนี่ยก็จ้องอาศัยพระปริยตินิเทศเนี่ยเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นไม้ ในการให้คําแนะนําและถ้าเราพูดถึงเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมันอยู่ในกฎกระทรวงกฎกระทรวงในเรื่องของการสิทธิในการจัดการศึกษาคันพื้นฐานของสถาบันศาสนาให้มีเรื่องการประกันคุณภาพภายในไม่ใช่ข้างนอกมาตรวจสอบเราเราก็ยังไม่ได้ทําเต็มที่และต่อไปเรามีพรบรพระบิด ร, รมการศึกษาพระบิดารร ม, มันก็ต้องพูดเรื่อง การประเมินนี่ถามว่าแล้วใครจะมาประเมินประเมินกันอย่างไรซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยพระเป็นิเทศปริยตินิเทศที่ช่วยเป็นบทบาทที่ท่านต้องทำความเข้าใจข้อหนึ่งข้อ 2, สองสัมพันธ์กับข้อสาคือการประสาน ง, งานทีนี้ในการประสาน ง, งานเนี่ย ในฐานะที่ถ้าระวางตัวในฐานะพระเิธไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไปขัดขัดกับผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติการก็คืออาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูเขาคาดหวังข้อสองจับท่านให้ท่านไปให้คำแนะนำไปพัฒนาไปอบรม แต่ท่านทําหน้าที่กํากับดูแลไปประเมินมันก็สวนทางกันโรงเรียนทั่วไปมันจะมีปัญหาตรงนี้โรงเรียนข้างนอก น, นะครับศึกษามิเทศทั้งหลายเหมือนกับเข้าไปล้วงลูกในข้อหนึ่งในฐานะกํากับดูแลลงไปล้วงลูกแล้วก็ไปประเมินเขา้าไปอะไรเขาแต่ครูบาอาจารย์ผู้บริหารต้องการให้ พัฒนาเขาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนิเทศคือแสดงชี้แจงบอกว่าจะทำอะไรบทบาทในฐานะที่เป็นผู้แนะนำเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่สนับสนุกด้วยฉะนั้นในในการที่เราทำ หน้าที่ของพระปรณนิเทศทําหน้าที่ทําบทบาทมันจึงมีการประสาน ง, งานตั้งแต่รับนโยบายจากระดับสูงอย่างฟังแม่กองทําแม่กองบาลีเนี่ยแล้วรู้แต่ผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นไม่รู้ท่านก็ต้องแจ้งจะแจ้งเป็นลายละอักษรหรือจะจัดประชุมชี้แจง แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ย พ, พรบรพระประยพณี ธ, ธรรมการสถาปนิธรมันถึงไหนแล้วโรงเรียนก็คงอยากจะรู้ครูก็อยากจะรู้นักเรียนก็อยากจะรู้ฟังจากต้นต่อจากข้อมูลท่านก็ไปเล่าเนี่ยหลังจากประชุมวันนี้ก็ไปเล่าให้ระดับผู้ปฏิบัติการกนะครับทั้งผู้บริหารและครูบาอจารย์ ผมเข้าใจว่าทางแม่กองทั้งสองรูปผมพูดถึงพัฒนาการของพระราชบัญญัติการศึกษาพระบิดาธรรมที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสนชมันติดขัดอยู่บางมาตราทางท่านแม่กองก็นิมนต์ผมไปร่วมชี้แจงอยู่ที่กระทรวงเมื่อสามสี่วันเนี่ยเพื่อหาทางออกรายละเอียดผมก็จะไม่พูดนะเป็นเรื่องของ ทำแม่กอบาลีแม่กองทมท่านค ง, งพูดแต่ความเป็นมาเป็นไปในเรื่องเหล่านี้ทั้งระบบเนี่ยแม้ว่าพรบรยังไม่ประกาศใช้ท่านก็ต้องเล่าพัฒนาการของพรบรสื่อสารกันแล้วแต่งตัวเตรียมแสดงเหมือนกับลิเกนมันจะแสดงมาตีกรองเรียกคนเนี่ยแต่ไอ้คนอยู่หลัง เวทีเนี่ยมันก็ต้องแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วแต่งตัวเพราะมันจะมีเรื่องที่จะต้องแสดงในทำนองเดียวกันทั้งประเทศเนี่ยถ้าพรบออกมาเนี่ยเขาให้แสดงอะไรคือผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการครูบาอาจารย์แล้วก็บุคลากรสถานภาพโรงเรียนอะไรต่างมันจะปรับเปลี่ยนเยอะพร้อมหรื อ, อยัง เขาเขาตีกลองหมโลงแล้วเราก็จะต้องแต่งตัวเตรียมการพอประกาศใช้ปุ๊บแสดงได้เลยออกแขนเมื่อไรจบฝ่ายผู้ปฏิบัติการฝ่ายผู้บริหารทั่วประเทศเนี่ยทำเมินการได้ซึ่งประิยะัตินิเทศเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับไปรซนีในความหมายนี้คือประสานงาน เรื่องราวเป็นยังไงก็ไปถึงข้างล่างข้างล่างต้องการอะไรแม้กระทั่งในเรื่องพรบเนี่ยท่านก็ลำเลียงส่งมาเพราะในที่สุดมันก็มารวมกันอยู่ข้างบนสูงสุดก็คือในคณะสมก็คือมหาเทสมคมร่างพระราชบัญญัตินี่มันก็ต้องเข้าผ่านความเห็นแก้ไขกันอยู่ในมหาเทสมคมนั่นแหละ แต่เราจะรู้ได้อย่างไงผมจะรู้ได้อย่างไงผมนั่งอยู่ตรงนั้นก็พวกท่านนี่แหละรายงานมาจาาคณะจังหวัดจาาคณะผลจ้าคณะใหญ่แต่าจ้าคณะจังหวัดจ้าคณะภาคจาาคณะผลจากคณะใหญ่ไล่กันมาหรือจะไปที่แม่กองที่เกี่ยวข้องก็ได้การประสาน ง, งานจึงมีความหมายทั้งในการสื่อสารให้ข้อมูลมันลื่นไหล ในเรื่องใหญ่ๆอย่างที่ว่ารวมถึงภาคปฏิบัติ <c oughs> เรามีนโยบายออกประกาศมสประกาศอะไรก็ตามของกระทรวงของสำนักพูดกระตามในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยท่านก็ต้องจัดประชุมชี้แจงเหมือนผู้ใหญ่รีตีกองประชุมอะว่าเนี่ยทางการเขาสั่งให้ทาอย่างนี้เราก็ต้องชี้แจงในทุกเรื่องบทบาทเพราะฉะนั้น ที่มาพบปะ ก, กันมาคุยกันมาประชุมกันเนี่ยก็เพื่อติดตามเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องล่าสุดบางปีผมก็ได้มาพูดผมก็จําปีไม่ได้ว่ามาพูดมาคุยกับท่านในปีไหนบ้างเรื่องที่พูดก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานเป็นหลักก่อน ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ท่านควรทราบเพื่อที่จะไปช่วยกำหนดวางแผนกันทำงานร่วมกันจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนรวมถึงบริบทคือสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยการศึกษาของเรานี่มันไม่ได้ไม่ได้อยู่แต่ในวัดโดยไม่ไปสัมพันธ์กับข้างนอก ถ้าเราอยู่แต่ในวัดเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมพระคุณเจ้าต้องให้เทียบวุฒิต้องให้เรารับรองปริญญาอย่างน้อยตอนนี้ก็ประโยคนกล้าเป็นปริญญาตรีและจะเอาเป็นปริญญาเอกทำไมแสดงว่าท่านจะต้องดูดูออกมานอกคณะสงฆ์ด้วยมาดูการศึกษาของชาติด้วยแล้วการศึกษาของชาติเนี่ย มันคือเขามองเราว่าเป็นการศึกษาเพื่ อ, อเขาเรียกว่าทางเลือดนอกในฝ่ายเรานี่คือการศึกษ า, าพระปริยธรรมเนี่ยก็คือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการสร้างศาสนาทายาทแต่มันจะมีคนเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาในระบบของเราแล้วก็ ไม่ได้เป็นศาสนาทยญาติอยู่ในแต่ศึษาหลาลาเพศไปไปทำงานอยู่ข้างนอกมันก็คือเป็นทางเลือกในการรับการศึกษาของเด็กในมุมมองของรั ฐ, ร, ฐรัฐบาลเนี่ยแทนที่เขาจะเรียนในโรงเรียนในระบบเจ้าปริญญาเเขามาเรียนนักธรรมเดนบาลีไปเข้ามาหาวิทยาลัยสง์อะไรกันแล้วแต่หรือหรือจะออก เมื่อจบม .6 เข้าไปก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เป็นทางเลือกเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนรัฐบาลเขามีหน้าที่จากการศึกษาสำหรับทุกคน Education for all or for education เป็นสโลแกนของสหประชาชาติหรือยูเนสโกการศึกษาต้องเข้าถึงให้ให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ Education for all และทุกคนต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาที่อยากเรียนไม่ว่าจะในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยอย่างน้อยการศึกษาตามอัธยาศัยที่อยู่ในวัดเนี่ยญาติโยมเขาอยากจะเรียนธรรมะเนี่ยต้องมาเรียนกับท่านได้การศึกษานอกระบบอย่างที่มาเรียนเราอยู่นอกระบบเขาเนี่ยแต่มันมีเป็นระบบของเราหรือเราจะเรียกของเราเป็นระบบ ตอนในระบบของเขากแล้วแต่มันเป็นโอกาสในการรับการศึกษามันจะเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐทันทีเราไม่สามารถจะหลับหูหลับตาจัดการศึกษาอยู่ในวัดวันดีคืนดีก็ไปบอกว่าโยมรับรองวุฒิให้เยนนักเรียนของเราหน่อยสิโยม ตีค่าปริญญาบาลีเนี่ยให้เราหน่อยสิเขายังถามว่าแล้วพระคุณเจ้าเวลาจัด ก, การศึกษาเนี่ยเอื้อต่อการศึกษาของชาติตรงไหนมันเชื่อมกับระบบของประเทศอย่างไรเขากำลังจะไปดวงจันทร์แล้วพระคุณเจ้าขุดรูอยู่หรือเปล่า ถ้าเราชี้แจงได้เนี่ยมันจะรู้เรื่องและเขาก็จะให้เราแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยจากการศึกษาของเราไปเรื่อยโดยเทียบกันไม่ได้ว่าระบบขั้นตอนการศึกษาของประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนประเทศไทยตอนนี้เขาแบ่งการศึกษาออกเป็นสี่ระสี่ยุค เราคงจะได้ยินเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาประเทศมันมี4ระดับประเทศไทย 1.0 ประเทศไทย 2.0 ประเทศไทย 3.0 ประเทศไทย 4.0 ตอนนี้เขาอยู่ในยุค 4.0 การพัฒนาประเทศส่วนการพัฒนาการศึกษา เขาก็แบ่งเป็น4เหมือนกันการศึกษาไทย 1.0 ยกหนึ่งการศึกษาไทย 2.0 การศึกษาไทย 3.0 การศึกษาไทย 4.0 ถามว่าพระคุณเจ้าตอนนี้พระคุณเจ้าจากการศึกษาพระเบญธรรมเนี่ยอยู่ในในใ น, ในจุดไหนถ้าจะเอาว่าประมาณ สนับสนุนจากรัฐพระคุณเจ้าต้องอยู่ในยุคเดียวกับเรา 4.0 ถ้าอยู่ตามกว่านี้เขาไม่เอาล่ะเพราะถือว่าไม่ได้ช่วยระบอกเขาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเองในฐานะเป็นพระเปรียญนิเทศต้องรู้เรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคณะสงฆ์เขาบอกเราลองทำการศึกษาของเราให้เป็น 4.0 ทำยังไงบาลีนักคำสายสามัญเราที่ทสายสามัญมันก็จะต้องมีกระบวนการนิเทศกันคุยกันในในในที่ผมผมนึกถึงคำก่อนนะครับเดี๋ยวตอนจะไปว่าปริยัตินิเทศเควรจะใช้คำว่าอย่างไรศึกษานิเทศเนี่ยเขาใช้คำว่า educational supervisor ท่าจะใช้ดัมมะเอนจูเค o ั่นอลซูเปอร์วหรือสังฆะเอนจูเคชั่นอลซูเ r อร์วก็ได้แต่ถ้าเป็นสังฆะมันจะรู้กันเฉพาะในโลกของชาวพุทธดัมมะก็พอได้พระบริได้ทรรเป็น Supervisor คือนิเทศ Educational ก็คือศึกษานิเทศด้านธรรมะก็คือด้านปริยติธรรมนั่นแหละครับทีนี้ผมผมไปต่อ มาถึงทำที่ว่าการศึกษา 4.0 มันคืออะไรผมก็จะต้องเทียบกับประเทศไทย 4.0 ก่อนเปิดทีวีก็จะเห็นนายกก็จะพูดประเทศไทย 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 การไปกระทรวงศึ ก, กษาการศึกษา 4.0 เราเป็นคนกลางเราเป็นผู้ประสานเบื้องบนเบื้องล่างเนี่ยเราต้องรู้ทันนี่ฉะนั้นการศึ่ษสารของเรามันก็จะอยู่แค่ 0, หนึ่งจุดศูนย์มัผมเอาเรื่องแรกก่อนสี่จุดศูนย์คืออะไรประเทศไทยสี่จดศูนย์คืออะไรเพิ่งใช้เมื่อสักหกปีมาแล้วไม่ใช่หรอกเหตุให้เกิดเนี่ยมันมาแค่หกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ ก่อนหน้านี้จะไม่พูดเรื่องประเทศไทย 4.0 เลยมันพูดไม่ได้จุดที่ทำให้เราพูด 4.0 ได้เท้าความไปถึงปี2554เมื่อธนาคารโลกหรือเ o r l d Bank เนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการยกระดับประเทศไทยนะการพัฒนาประเทศไทย ไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงสมัยท่านทั้งหลายเป็นเด็กเนี่ยจะไม่ได้ยินคำนี้หรอกเพราะเขาเพิ่งใช้สมัยก่อนเราจะได้ยินคำว่าประเทศด้อยพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วสามกลุ่ม แล้วประเทศไทยเราก็มาจากด้อยพัฒนาขึ้นมาเป็น underdeveloped ได้พัฒนาแล้วก็มา developing country กำลังพัฒนาแล้วก็ไป d e v e l o p country อีกขั้นหนึ่งประเทศพัฒนาแล้วธนาคารโลกเขาแบ่งเป็นสามกลุ่มตอนหลังเขาไม่แบ่งอย่างนี้แหละครับเขาแบ่งเป็นสี่กลุ่มเลิกใช้แล้วนะครับประเทศด้อยพัฒนาประเทศกําลังพัฒนาไม่มีใช้แล้วครับ กลุ่ม 4, กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ประเทศที่มีรายได้สูงเขาเรียก High i n ิน m e Country ประเทศที่มีรายได้สูงสหรัฐอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศท็อปเลยครับอันดับหมีรายได้สูงระดับ2กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่น ไทยมาเลเซียจีนละเซียเราเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้เมื่อ6ปีที่แล้วมาเลเซียเข้ามาก่อนเรามาเลเซียมาอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนเราสิงคโปร์นี่แซงไปอยู่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งสมัยก่อนเรียกประเทศที่พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เรียกว่าประเทศมีไรายได้สูงกลุ่มที่สองมีไรายได้ปานกลางระดับสูง แล้วกลุ่มที่ส ม, มีรายได้ปานกลางระดับล่างอินเดียสิงลังกาเ ว, วียดนามและประเทศในอาเซียนที่เหลืออาเซียน10ประเทศเนี่ยสิงคโปร์อยู่ประเทศพัฒนาแล้วก็คือรายได้สูงไทยกับมาเลเซียอยู่รายได้ปานกลางระดับสูงนอกนั้นอยู่ระดับรายได้ปานกลางระดับล่าง ส่วนประเทศที่มีรายได้ต่ำก็คือเช่นเกาหลีเหนือเนปาลอัฟก า, านิสถานเอธิโอเปียในอาเซียนเราไม่มีพอประเทศไทยขึ้นมาอยู่กลุ่มที่สองรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยท่านท่านนายกปัจจุบนนันประกาศนโยบายเลยว่าเราจะขับ เคลื่อนประเทศไทยให้ไปอยู่อันดับหนึ่งไทได้ภายในยี่สิบปีคือเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงภายในยี่สิบปีขับเคลื่อนอย่างไรขับเคลื่อนโดยระบบเศรษฐกิจและระบบการศึกษาการศึกษาก็จะต้องช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเขาจึง ประกาศการพัฒนาประเทศวิธีพัฒนาประเทศเนี่ยเพื่อให้ขึ้นไปอยู่ระดับสูงขึ้นเท่าดับหนึ่งเรียกว่า t ท a แ l a ด์ 4.0 ครับเป็นโมเดลประเทศไทย 4.0 ก็หมายความว่าที่เรามาอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยเป็นรายได้ปานกลางระดับสูงเนี่ยเราอยู่ 3.0 และถ้าเราจะขึ้นต่อไปเนี่ย มันต้องใช้กระบวนการวิธีการเรียกว่า 4.0 ใน 4.0 เป็นกระบวนการอย่างไรครับผมสรุปนะครับเขาย้อนไปตั้งแต่ 2,503 ในรอบ50กว่าปี 2,500 กันแล้วกันเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2,500 เนี่ยฉบับที่หนึ่งแผนหนึ่งเนี่ย 5, 5ปี ในฉบับที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพัฒนาประเทศทั้งประเทศเลยครับเน้นเรื่องเกษตรกรรมรายได้ประเทศมาจากผลผลิตทางการเกษตรคือทำนาทำไร่สมัยโน้นเราจะได้ยินคำว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่คือ 1.0 ครับต่อมาประเทศไทยเริ่มยกระดับเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมเอาผลผลิตทางการเกษตรบวกการอุตสาหกรรมเนเช่นสับประรดเนี่ยนะส่งไปขายแข่งขาเข้าเนี่ยต้องเป็นสับประรดกระป๋องสับประรดกระป๋องและเราทำอุตสาหกรรมเบาเราจะเห็นญาติโยมเราเนี่ยไปทํางานโรงงานทอผ้า ทำรองเท้าอะไรต่างเยอะแยะหมดเลยเบาๆนำาข้นเข้าประเทศนี่เป็น 2.0 เดี๋ยวนี้โรงงานหายไปหมดแหละสู้เวียดนามไม่ได้ไอ้รองเท้าเสื้อผ้าราคาถูกนี่สู้เขาไม่ได้เขาแรงงานถูกกว่าเราเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันก็มาอยู่ในยุคที่สูงขึ้น 3.0 ประเทศไทย 3.0 คือ เน้นโรงงานใหญ่ๆอุตสาหกรรมหนักผลิตรถยนต์มีนิคมอุตสาหกรรมแล้วแบ่งรายได้ของประเทศเนี่ยเป็นสามส่วนกเกษตรส่วนที่หนึ่งอุตสาหกรรมส่วนที่สองบริการส่วนที่สบริการก็คือการท่องเที่ยวโรงแรมรวมไปถึง การแพทย์ต่างประเทศนี่มารักษาเวลาเจ็บป่วยนี่มาหาโรงแรมประเทศไทยมาโรงพยาบาลประเทศไทยเอาเงินเข้าประเทศเพราะฉะนั้นวัดวาอารามทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่สามบริการชาวต่างชาติมาก็มาชมวัด นำเงินลายได้เข้าประเทศหรือจะมามาเรียนมาเรียนหนังสือมาเรียนธรรมะก็อยู่บริการหมดมหาวิทยาลัยทั้งๆเลยนะมาเรียนบาลีมาเรียนนักธรรมมาปฏิบัติกรมาฐานเป็นภาคบริการทั้งหมดสมัยก่อนเขาบอกว่าพระสงฆ์ไม่ได้ผลิตสมัยคอมมิวนิสต์มาเนี่ยมาบุกอยู่ทายชายแดนเนี่ยเขาบอกพระสงฆ์เป็นกาฝากสังคม แต่สมัยนี้เนี่ยพระสงฆ์อยู่ในภาคการผลิตในภาคที่สมคือบริการแค่ท่านดูแลวัดให้เป็นสัปปายะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมีการปฏิบัติกรรมฐานคนมาปฏิบัติเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับท้องถิน่นในท้องถิ่นของท่านเนี่ยถ้าวัดดีๆเป็นศูนย์ท่องเที่ยวศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนกรุงเทพแห่กันไปเนี่ยรายได้มันกระจายไปท้องถิน่น กายเป็นว่าวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องพัฒนาปรับปรุงเสนาส น, นะปรับปรุงอะไรต่างเนี่ยนะครับให้เป็นอารามที่รื่นลมเป็นสปายะต้องให้การศึกษาถ้าชาวต่างชาติมาชมวัดของท่านท่านพูดเป็นภาษาเขาได้เขาก็จะมาอีกเขามาปฏิบัติกรรมาฐานท่านสอนกรรมาฐานเป็นภาษาของเขาได้เขาก็จะมาอีก อย่างนี้เรียกว่าที่ผ่านมานะครับ 3.0 ครับวัดจึงวัดใหญ่ๆอย่างวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณต่างๆเนี่ยทําบทบาทตรงนี้ในประเทศไทย 3.0 ครับและเดี๋ยวนี้เราก็ยังทําอยู่เวลาเขาตั้งคาถามว่า ศาสนสถานศาสนสถานใดเนี่ยเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกสิบสิบแห่งเนี่ยถามคนทั่วโลกอ่ะเอาภาพนี้ให้ดูเนี่ยเาขารู้ไม่อยู่ประเทศไหนเนี่ยเอาภาพบรูบูโดอินโดนีเซียให้เราดูเราก็รู้อยู่อินโดนีเซียชเวดากองเห็นชเวดากองเราก็รู้อยู่พมา่าเห็นพระปรางวัดอรุณนะครับชาวโลกบอกว่าอยู่ประเทศไทย นี่คือสาจุดศูนย์ครับจากเกษตรเราเพิ่มอุตสาหกรรมเราการบริการเข้าไปวัดเข้ามาอยู่ในตรงนี้โดยไม่รู้ตัวแล้ววัดก็พลอยได้รับอานิสงส์มีเงินมีทองเยอะขึ้นจากตรงนี้และถ้าท่านไปเชื่อมตรงนี้ได้วัดก็จะได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรมจากกระทรวงการท่องเที่ยวกต่างๆลงไป และก็ขึ้นไประดับนานาชาติได้ยังวัดอรุณหรือวัดที่วัดผมเป็นเจา้าวาสเนี่ยวัดไปยุรปวังสาวาสเจดี JD ที่ผุมบูรณะเนี่ยได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากยูเนสโกในการบูรณะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเคยได้รางวัลมาส่วนมากอันดับสาอันดับ4ี่ไม่เคยได้รางวัลอันดับหนึ่งแต่วัดเนี่ยนะครับพัฒนาดีๆบูรณะดีๆได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลก ของ ESCO, ยูเนสโกมันก็เข้าไปเชื่อมกับการบริการที่ว่าเนี่ยผมก็พัฒนาวัดได้สบายในฐานะเจ้าว่าอันนี้คือเพราะเราตระหนักในเรื่องของโมเดลแบบของการพัฒนาประเทศมันจึงเชื่อมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงที่มหาจุฬาเนี่ยมันจะเชื่อมกับสามจุดูี่จดศูนย์อย่างไรเราจะต้องอธิบายได้งบประมาณมันจึงจะตกมา การศึกษาสงฆ์มันเชื่อมได้ยังไงและทำไมนิตยภั์ค่าตอบแทนครูสอนบาลีสอนนักธรรมมันจริงแค่นี้มันต้องเชื่อมให้ได้ทรับอ่ะทีนี้เมื่อ 4.3.0 จะขึ้น 4.0 มันยังไม่มีรูปแบบครับเพราะเราตอนนี้เราอยู่ใน 3.0 นะครับอีก20ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะต้องหาทางพัฒนาประเทศไปเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงแล้วจะต้องทำอะไรบ้างวัดจะต้องทำอะไรการศึกษาต้องทำอะไรก็ว่ากันแต่ระยงในประเด็ดนนี้ผมสรุป 4.0 ก็แล้วกันเขาบอกว่าเศรษฐกิจ 3.0 เนี่ยเราทำงานนักหนั ก, นกแต่ได้เงินน้อย คนไทยญาติโยมเราเนี่ยไปเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมตามบ้านนอกเนี่ยนะครับมันมีโรงงานผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไปเป็นสาวฉันทนากันในยุคหนึ่งที่เราได้ยินเรื่องสาวฉันทนาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ทำงานหนักแต่ได้เงินน้อยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าทำงานน้อยแต่ได้เงินมากนี่คือสี่ศูนย์ สามจุดศูนย์ทำงานหนะักแต่ได้เงินน้อยรถยนต์ผลิตในประเทศไทยนะครับขายแพงมากๆแต่มันเป็นรถของไทยญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ขายแพงแพงทั้ ง, ท, งที่แรงงานเนี่ยคือคนไทยทำงานแต่คนไทยแค่ไปกินเงินค่าจ้างเงินเดือน พอขายรถได้กำไรนี่เข้ากระเป๋าเจ้าของหมดเราทำงานหนักญาติโยมเราทำงานหนักแต่เงินน้อยเขาบอกว่าทำไมไม่ทำงานน้อยแต่ได้เงินมากนั่นก็คือใช้สมองครับงานที่ใช้สมอง จะได้เงินมากการศึกษาต้องดีเขาต้องการให้ประเทศไทยมีมีคนที่มีการศึกษาสูงทำงานใช้สมองเขาดูจากอะไรครับเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกสิบปีติดต่อกันเนี่ยชื่อนายบิวเกตทำงานอะไรไม่ใช่เป็นเจ้าของเครื่องบินไม่ใช่เจ้าของบริษัทเครื่องบินถลุงเหล็กเหมือนแต่ก่อนนะครับ ไม่ได้ผลิตอะไรใหญ่ๆเช่นเรือกลไฟหรืออะไรเลยเขาทำอะไรเล็กๆครับเล็กถึงขนาดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาก็ไม่ทำคอมพิวเตอร์นี่บิลเกตไม่ทำนะครับเขาทำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอดเข้ามาเนี่ยแผ่นเล็กๆยอยู่ใน hard drive แค่นั้นแหละ ขายแค่นี้แหละครับขายสมองรวยที่สุดในโลกตอนนี้รัฐบาลอยากให้คนไทยเป็นอย่างนั้นพัฒนาสมองพัฒนาสมองให้เด็กไทยฉลาดคิดเป็นมีสิ่งที่เรียกกันว่านวัตกรรม innovation เพราะฉะนั้นในยุค 4. จดศูนย์คือยุคนวัตกรรมผมถามว่าการศึกษาพระปริถิธรรมของเราทุกระบบสอนให้เด็กรู้จักนวัตกรรมหรือไม่ 2. เราใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไรแค่ใช้ก็ถือว่าเข้าเข้าเทรนแล้วครับเขาเ้ายุคละใช้นวัตกรรม แล้วยิ่งให้สร้างนวตัต ก, กรรมยิ่งไปได้กันใหญ่นวตัต ก, กรรมจะต้องเกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆวัดที่ใช้นวตัต ก, กรรมเนี่ยเทศครั้งเดียวเนี่ยนะครับคนไม่ต้องมาที่วัดมาฟังหรอกเทศครั้งเดียวไปทั่วโลก ผมเทศอยู่ที่วันพระที่วัดไปรยูรเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าวาดผมก็ถามว่าทําไมต้องเทศเองผมบอกแล้วคนก็ฟังได้แค่ร้อยคนมันก็เห็นอยู่แค่นี้แต่เวลาผมเทศอผมถ่ายทอดสด น, นะครับและจํานวนคนฟังพร้อมๆกันเนี่ยหลายพันคนในขณะที่ผมเทศอยู่ที่วัดเนี่ยนี่วันพระที่ผ่านมาในบางเทศสองวันที่แล้ว เขาก็วัดจำนวนคนเลยครับใครเข้าชมบ้างแล้วเวลาที่เทศเนี่ยคนเขาจะรอละเขาไม่ต้องมาวัด เ, เขาจะรอเปิดเครื่องของเขาไม่ว่าโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามจำนวนคนมันวัดเป็นเคเนะครับเป็นพันขึ้นมาเพราะฉะนั้น ผมไปไหนคนก็แบฟังเทศท่านอยู่เรื่อยล้ฟังท่าไหนเปิดนี่แหละเทศเสร็จแล้วมันก็ค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตคนก็เปิดฟังได้ตลอดนี่คือตัวอย่างของนวตัตกรรมใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แม่กองํามท่านออกข้อสอบตรงนี้ก็ใช้นวัตกรรมส่งข้อสอบไอ้ส่งผลสอบกับ น, นวัตกรรมแต่มันใช่สี่การศึกษาสี่จุดศูนย์หรื อ, อยางาการศึกษาสี่จุดศูนย์ครับท่านจะเห็นเส้นตรงนี้การศึกษาหนึ่งจุดศูนย์สองจุดศูนย์สามจุดศูนย์ มาถึงปัจจุบัน 4.0 โดยเทียบกับการพัฒนาประเทศ 4.0 อย่างที่ผมว่ามามีนวัตกรรมโดยอย่างนี้ครับ 1.0 นี่เขาเอาหลักสูตรการศึกษาของชาติปี2503เป็นตัวตั้งหลักสูตรในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงผมด้วยเนี่ย อยู่ในช่วงหลักสูตร น, นี้หลัง 2,500 มานะป .1 ถึงป .7 ก่อนหน้านั้นเป็นม .8 ใช่ไหมอนั้นเขาไม่นับละส่วนมากก็จะไม่ค่อยอยู่กันละ 0.0 คือผู้ที่เรียนป .7 แล้วก็ม .25 นั่นแหละ 1.0 จศกลายเป็นหตูต่ำมากนะให้รู้ไว้ด้วยว่าพวกเราเนี่ยหลายส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งดศต่อมาเขาก็เอาปรเจตออกแล้วก็ปรับหลักสูตรใหม่2องยบเอดเป็นสองจุดศครับสองจุดศสองยบเอนี่ยมีหลักสูตรเหลือแค่เปาหก 1> ม .1 มสและก็หมหที่เขากำลังพูดถึงคือเนื้อหาหลักสูตรครับการเรียนการสอนและหลังจากนั้นก็ปีสี่หนึ่งสี่สองี่สามเนี่ยที่เรามีพรบการสื่อสารชาติเนี่ยไล่มาจนปัจจุบันปีหกนเนี่ยเขาเรียก 3.0 ดศนับแต่นี้ไปปีหกศนเนี่ยไปอีกยี่สิปีเนี่ย เขาเรียก 4.0 ถามว่าการศึกษาที่ผ่านมา 1.0 เน้นอะไรครับหลักสูตรเขาสรุปอย่างนี้ครับเร่ผมหาภาษาไทยไม่เจอ 1.0 นี่ครูจะสอนช็อคแอนทอสครับสอนด้วยชอคเขียนกระดาน แล้วก็พูดไปช็อกกับปริวไปอะนะครับนั่นแหละท่องจำเป็นหลักเขาเรียกด c t a t i o นก็คือบอกให้จดฟังคล้ายๆเดียนบรลีนะครับท่องอันนี้หนึ่งจุดศูนย์นะครับอู้สิยอังยูดาฮิสารังตนี้ ๆ, ๆ d เ c t a t i o ชัน ด, ๆ ด, ๆดีๆเนี่ยนะบอกคำบอกดีๆเนี่ยสอนกันจดกันอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งจุดศูนย์นะครับ โปรดทราบไปแล้วถ้าจะดิเทศให้เป็นสองจุดให้เป็นสี่มดศูนย์เพราะว่ามันเกินเอาแค่ให้สองจดศูนก็บุญแล้วครับส่วนสองจุดศูนเนี่ยมันเป็น e-learning แล้วนะครับอ l เล็กทรอนิกส์ learning คือเรียนทางคอมพิวเตอร์เรียนทางไอ้คอมพิวเตอร์ล่ะนี่ขนาดเรียนทางนี้นะ่ยังเป็นสองจุดศูนย์เลยครับไอช็อค เขียนกระดานเนี่ยนะครับหนึ่งจุดศูนย์ท่านจะโยกระดับขึ้นมายัางไงให้เป็นสองจุดศูนย์ขนาดผมมาทันสมัยขึ้นจอนี่แค่สองจุดศูนย์เยเนี่ยผมใช้มาเป็นสิบปีเลยเนี่ย PowerPoint ผมมันก็ยังสองจุดศูนย์อยู่นั่นแหละแล้วมันมีนมลักษณะเด่ยนยังไงสองจุดศูนย์ครับก็คือ หาความรู้กันเองมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหาไปคน้นมันไปหาหาอาจารย์ Google กันเดี๋ยวนี้เด็กมันก็หาเองนะสำหรับตำราอะไรต่างเขามีหมดอยู่ที่ไหนนักเรียนบาลีนักเรียนนักธรรมเนี่ยเขาหากันได้ Google แต่มันเป็น 2.0 นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันยังจำกัดเข้าถึงไม่ได้ทั้งหมด บางวัดมีบางวัดไม่มีบางวัดมีคอมพิวเตอร์บางวัดไม่มีคอมพิวเตอร์มันก็เลยไม่ทั่วถึงอันนี้คือยุค E-Learning ครับยุคสานคือยุคปัจจุบันนี่เป็นยังไงครับมันเป็นยุคผลิตความรู้คือในยุค 2.0 เนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่สองยเถึงสองยเนี่ยนะเรียนเหมือนกันทั้งประเทศ หลักสูตรต่างเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเรียนเหมือนกันยิ่งยิ่งอายุหนึ่งจุดศูนเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ผมเรียนทําไมไอ้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ท่องอำเภอจังหวัดพระนครในทุกอำเภอเลยครับเพื่อพระนครป้อมปราบศตรูพ่าอยอะไรต่างเด็กนู้นไม่เคยเห็นกรุงเทพเลยครับไอ้นั่นอะยุคยุกเราอะ่ะโอ้ อย่างอย่า ง, ง, งยังยังท่องชื่ออำเภอเดียวนี้มันตั้งห้าสิบเขตไปแล้วแต่ยังจำอยู่ส3บสามอำเภอเน่จังหวัดพ น, นัพพรนั่นแหละอายุหนึ่งจุดศูนย์สองุศูนย์เด็กมันไม่ต้องมามันเปิดอินเทอร์เน็ต ม, มันรู้แลห้าสิบเขตแต่มันมีข้อจำกัดก็คือครูก็ยังมีอิทธิพล ต, ต่อเด็กเด็กเขาก็เรียนแบบเหมารวมลักสูตรกลาง พอมาปีพอสามจุดศูนย์นะครับท่านผมนึกออกมันจะมีหลักสูตรท้องถิ่นอ่ะมันมีหลักสูตรแกงกลางอยู่นะผมก็แล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยทําหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กในท้องถิ่นตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกับมันจะมีสองส่วนหกสิเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นวิชาแกนกลางอีกสี่สิบเอร์ซนเนี่ยนะถ้าไทยเรียนสาระ ก, การเรียนรู้จะนึกออกสี่สิบเอร์เนี่ยหรือสามสิสี่สิเอร์เซ็ตเป็นเรื่องท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเนี่ยมันได้เรียนรู้กับเรื่องที่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถจะผลิตความรู้เขาเรียน knowledge producing เนี่ยผลิตความรู้ออกไปได้แต่มันก็ได้ความรู้เป็นแท่งๆเอาไปใช้ไม่ได้ท่านเวลาไปทำงานมันก็เก่งอยู่ในโรงเรียนแต่ออกมาข้างนอกมันต้องมาเรียนใหม่หมดมันปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้น เขาจึงบอกว่ามา 4.0 ก็แล้วกันปี60เนี่ยนะเป็นต้นไปนะครับที่ผมพูดนี้เพื่อให้ท่านลองไปไ ป, ไปนึกถึงโรงเรียนสายสามัญ ป, ป system. ริยธรรมสายสามัญบาลีนักธรรมเนี่ยเราเราอยู่ในยุคไหนแล้วเราจะปรับยังไงนะครับ <iety> ในฐานะที่ท่านเป็นปริตินิเทศเนี่ยผมพูดถึง 4.0 ก่อน 4.0 สอนให้เด็กคิดและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา ผมนึกถึงเรียน เ, เรียนบาลีเรียนนักธรรมเนี่ยเราเรียนตามตำรานะเวลาเราสอบเราอะไรต่างก็จำได้มัอตั้งแต่มันมัม่วเพื่อไงคือผมผมก็เรียนแบบหนึ่งศูนมาแต่ถ้าเรียนแบบสี่ศูนเรื่องเดียวกันนะครับกทูธรรมพุทธวินัยเนี่ยเรียนแบบสี่จนลอีกแบบหนึ่งครับผมยกตัวอย่างให้ดู ให้ดูของเขานะครับแล้วมาดูของเราเอาอย่างนี้กันแล้วกันเรียนเรียนแบบหนึ่งจุดศูนย์ก็คือเป็นผู้คงแก่เรียนเพราะหูสูตรเป็นผู้ทรงจำได้มากอ่ะโ้ยความรู้เยอะนะเต็มหัวหมดเขาเรียนให้เราเป็นผู้คงแก่เรียนนักหนักเขาก็เหล็กวิระคาดภุงิอ่ะ โอ้ไม่ไว่าเรียนอภิธรรมกันเที่ยงกันอยู่ใต้รัตนโกศกันเลนะผมก็เห็นความรู้มันเยอะเหลือเกินถทาอะไรรู้หมดเทียงกัน เ, ออเสร็จแล้วพอมา 2.0 แต่ว่ารับมาจากครูตำราเป็นส่วนใหญ่1นึ่นยนะแต่พอ 2.0 ก็วัตถุประสงค์คล้ายๆกันแต่ว่ารับมาจากคอมพิวเตอร์จากหนังสือจากอะไรต่างๆหลายแหล่ง พอสามจือยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาไปใช้ครับเรียนมาเนี่คุณจะต้องนึกว่าลูกศิษย์จะเอาไปใช้ทําอะไรมันจึงเกิดคําถามว่าเรียนบาลีไปไปทํางานที่ไหนไงและพ่อแม่เวลาจะส่งลูกมาบวชเนี่ยเขาจะถามว่าไปทําอะไรได้ในสาในสามภาคหนึ่งทํานาดีขึ้นไหมภาคเกษตรทำงานทําไรปรากฏว่าโอ้โหยิบโยมแล้วเกินขึ้นมาพร้าวก็ไปได้ก่อนบวชยังขึ้นได้ อายุสาจศูนเนี่ยพ่อแม่มจะถามเลาทำอะไรได้อ่ะสเสร็จแล้วภาคอุตสาหกร ร, รมภาคอุตสาหกรรมไปทำงานในโรงงานอพอสับขาไก่ได้แต่มันผิดศีลไม่เอาอีกอุย้ยเลือกป่ะเหลืออยู่ที่ทำได้คือภาคบริการท่านไปเป็นไกด์ทัวร์เที่ยววัดเนี่ยสุขาราเพศไปไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นอนุสาสนาจารย์เนี่ยในภาค น, นี้เราไปอยู่เยอะ นี่คือยุคสามจดศูนย์คือเรียนแล้วไปทำอะไรพ่อแม่เขาจะถามเพราะฉะนั้นมันจะมีการเทียบบุติไงจบนักธรรมเอกตอนนี้มสามจบประโยคสามมหกแต่ถามว่าไปไปอยู่ในภาคไหนนะรู้โรงงานได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อีกเลภาษาอังกฤษไม่รู้อีกเออเพราะคอมพิวเตอร์มันต้องใช้ภาษาอังกฤษท่าน มันจึงมีในในกฎกระทรวงปีสี่แปดจึงบอกว่าจะให้ประโยคสามเป็นมหกประโยนักรรมอีกเป็นมสามประโยคสามเป็นหกต้องเรียนวิชาสามมันเพิ่มเติมทำหลักสูตรเพิ่มได้ไหมล้วก็กะถามว่า เ, เรียนวิชาอะไรดีเอาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรก็ว่า ก, กันไปจนบัด น, นี้ยังไม่ได้เรียนเลยท่านเพราะว่าเพราะว่าเขาในยุคสามจุดูเนี่ยเขาเรียนเพื่อ เอาไปใช้เอาไปใช้ทีนี้ถ้าเราไปอยู่ในภาคบริการใช่ไหมครับไปภาคบริการเนี่ยคือเอาความรู้ไปใช้เรียนภาษาบาลีนี่อ่านภาษาังติดออกไหมโอ้ถ้าอ่านออกด้วยเอาเลยเปเพราะเป็นคนดีมีจริยธรําอยู่แล้วมี เ, เรียนธรรมะอยู่แล้วไปไปทํางานได้นี่คือสามจุดศูนย์คือไปเป็นอะไรครับ ไปเป็นข้าราชการไปเป็นลูกจ้างไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยใช้ความรู้แบบสามจุดศูนย์เหมือนยุคประเทศไทยสามจุดศูนย์แต่พอสี่จุดศูนเขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับเนี่เราจะต้องเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับรับลูกศิษย์ของเราเข้ามาเดี๋ยวไม่มีใครมาเรียนเนี่ยครับตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วแล้ ว, ลวถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเขาก็ไม่มาเรียนกับเราเพราะว่าแค่สามจุดศูนย์เราก็แ ย, ย่แล้วครับพอสี่จุดศูนย์เป็นไงครับ ซีจุดศนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เอาความรู้ไปเป็นลูกจ้างเขานะครับไม่ใช่ให้เรียนแล้วไปเป็นลูกจ้างเพราะมมนได้เงินน้อยซีจุดศูนเนี่ยเรียนแล้วต้องไปสตาร์ทอัพภาษาของเขาทุกวันนี้ของบ้านเมืองเนี่ยสตาร์ทอัพไปเริ่มธุรกิจเองครับจบปริญญามานี่ไปทำ s m สมีหมายถึงภ า, าคธุรกิจประเภทเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือขนาดกลางขนาดย่อมก็ได้ขนาดกลางก็ได้ผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีลักกระบังพระจอมเกล้าท่านคุณหาลักกระบังเล่าให้ผมฟังผมเขาบอกว่าผมสอนเขาพูดนะผมสอนปริญญาตรีอยู่นี่นะสอนเด็กสถาปนวิศวกรรมรุปริญญาตรี ได้เงินเดือนสามหมื่นเป็นอาจารย์นี่นะแต่ไอ้ลูกศิษย์ที่มันมาเรียนเนี่ยนะครับมาเรียนเนี่ยมันได้เดือนละห้าหมื่นคณะเรียนบริยตีเฮ้ยยังไม่จบเลยมันได้ห้าหมืนทาไมมันได้เยอะจังมันเป็นพวกสตาร์ทอัพเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาจะส่งเสริมให้ทำธุรกิจเริ่มใหม่นะครับทำอะไรก็ได้แล้วทำอะไรรู้ไหม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตขายตรงครับขายตรงเพราะฉะนั้นมันทำอะไรก็ตามเนี่ยผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีเครือขายตามไอไลน์นี่นะสินค้ามาแล้วเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนนเนี่ยมันจะสั่งกันมาเดี๋ยวก็ส่งเดลิเวอรี่ส่งกันไปเดือนละห้า0มืนผมแทบจะลาออกจากอาจารย์เลยนะ นุ่ยแทบตายสู้ยลูกศิษย์มันไม่ได้มันใช้โทรศัพท์เป็นลายเป็นเทคโนโลยีเป็นผลิตอะไรใหม่ๆเป็นนวัตกรรมนี่คือสิ่งที่ยุคเขาเรียกอะไรครับหาอินโนวชันทำอะไรที่แปลกๆเอาไปใช้สินค้าไม่เหมือนใครครับท่านเทศซ้ำๆนิทานเรื่องนกเซลล์เยอะแยะงั้นเมืองมีนสัตกรรมนะครับ แต่ถ้ามีเทศต์มีอะไรใหม่ๆมีมุกใหม่ๆเออเริ่มมีนวัตกรรมแล้วนึกถึงพี่มาแปลกแล้วเนาะเออมันน่าฟังขึ้นค้นหาข้อมูลใหม่ๆเรื่องใหม่ๆให้ประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้นั่นแหละครับฉะนั้นนวัตกรรมนี่อย่าไปนึกว่าจะมีผลผลิตอย่างเดียวนะครับมันมีสี่อย่างครับนวัตกรรมแล้วว่าทําอะไรใหม่ๆวิธีใหม่ๆนี่มี4ี่อย่างหนึ่ง ผลอ่ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์เนี่ยผมพูดตรงนี้เลยผลิตภัณฑ์เกิดจากการผสมผสานนะครับถ้าท่านอยากทอะไรใหม่ๆเนี่ยท่านเอาอะไรๆๆอย่างมาผสมกันนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่ประดิษฐกรรมประดิษฐกรรมคือท่านผลิตสิ่งใหม่นวัตกรรมคือเอาของที่เขาประดิษฐ์ไว้เนี่ยนะเอามายาใหญ่แล้วเกิดเป็นของใช้ใหม่ๆ ผมยกตัวอย่างนะครับคอมพิวเตอร์มันก็มีอยู่แล้วโทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วกล้องก็มีอยู่แล้วเทปก็มีอยู่แล้วมีคนประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆเป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์ักรรมแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งเอาคอมพิวเตอร์มารวมกับโทรศัพท์เอามารวมกับเทปเอากล้องถ่ายรูปกลายเป็นไอแพดไอ o n e สตีฟจ๊อบส์เขาไม่ได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่นะครับสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามเอามารวมกันเลยครับสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอามาปรับเอามาใชใ้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในชนบทในบ้านนอกเนี่ยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอ่ะไม่ต้องแพงมากเอามาใช้ได้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมทางนั้นนี่คือสิ่งประดิษฐตครับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอีกแบบหนึ่งคือกระบวนการครับนบวัตกรรมด้านกระบวนการอย่างถ้าท่านเป็นเป็นเอ่อเป็นปริยตินิเทศเนี่ยนะครับสอนอย่างไรให้มันเรียนง่ายกว่าเดิมบาลีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องยากมากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิมรมาลรสท่านทาไว้นวัตกรรมแทนที่เราจะท่องสูตรมูลแะกระจายเนี่ย มาทำเป็นบาลีวยากรเนี่ยนั่นแหละครับน ว, วัตกรรมขอ ง, ของแต่มันร้อยปีมาแล้วนะครับผมถามว่า <c oughs> ในยุคเราเนี่ยท่านจะมีน ว, วัตกรรมอะไรที่ทำให้เรียนง่ายขึ้นทั้งนักทมทั้งบาลีอะไรก็ตาม เ, <c oughs> เขาเรียกกระบวนการ น, ว, น ว, วัตกรรมด้านกระบวนการ กระบวนการในการเรียนการสอนผมะยกตัวอย่างอีกสักอย่างหนึ่งนะครับกรรมฐานที่ไหนก็มีครับสี่สบอย่างสมถะวิปัสนาสติปัฏฐานพัมม่าเอาสติปัฏฐานบวกขันนิกาสมาธิเป็นพองหนอยุคหนอมหาศรีสยดาดนวัตกรรมนะครับด้านกรรมฐาน บ้านสำนักเพ่งอะไรครับคล้ายๆจานบินเงินไหลมาเทมาะนาะแต่กัมบ่ะกลับไปตั้งตัวเลยครับ<笑><笑>เป็นเจ้าสำนักเอาไปสักอย่างหนึง่งหลวงพ่อเทียนแค่ยกมือแค่นี้กายกระตาสติเท่า น, นั้นน่ะเนาตะกัรมบ่ะ ให้คนเข้าใจง่ายปฏิบัติได้ดีทั้งนั้นครับแต่มันต้องอยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เบรด น, นะครับที่ไปตีตลาดในอเมริกาไปสอนกรรมฐานไปสอนอะไรต่างมีวิธีปฏิบัติเป็นร้อยอย่างพันอย่างครับผมไปเห็นพัคควาน ร, ราชานิสครับสอนกรรมฐาน ที่อินเดียตอนผมไปเรียอินเดียผมไปดูที่บอมเบ่ยโอ้ใช้นวัตกรรมฝรั่งเต้มคนไทยก็ไปเรียนด้วยครับนวัตกรรมแรกคืออะไรครับผมนั่งอยู่ทไทยอยไม่พอเขาประกาศชื่ออันนี้ตั้งสามสิบปีมาแล้วนะครับพอเขาประกาศชื่อเท่านั้นแหละตั้งตัวเองเป็นพระคารวานพระควานน ะ, ะนนะชื่อราชนิสครับพระควานราชนิส ไม่รู้มาจากไหนโปลขึ้นการที่ประชุมครับเทศเลยไฮดรลิกจากข้างล่างยกขึ้นมาครับนวัตกรรมพวกไอคอนซูร์อะไร<อ>เสร็จแล้วนั่งกรรมาฐานยังไงเ<อ>ทศเทศเอาธรรมบทมาเทศท่านกลิ่นดอกไม้ไม่หอมทวนรวมแต่กลิน่นสีนองหอมทวนรวมนั้นผมไปฟังตายเราเป็นพุทธมาฟังฮินดูเท เอาธรรมบทเรานี่เองเอาเอาของเราไปใส่เขาเป็นนวัตกรรมไหมเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยนี่ผมฟังก็หูเลยครับคนอื่นก็หูชื่นชมแล้วก็ดีแล้วก็มันก็ธรรมบทเราดีๆีนี่เองพอถึงกรรมฐานทำยัง ไ, ไงครับเทศเสร็จ น, นั่งกรรมฐานเปิดเพลงฮินดูครับไอท้ที่แกลงแก้งแกลงแกลงอะไรเลยเอาดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องจูงใจให้ฝรั่งนั่งกรรมฐาน รวยไม่รู้เรื่องเลยท่านทะั้มคีตานั่นแหละฝรั่งแฮกันมามากเข้าคนในท้องที่นะครับประท้วงสอนดีเกินฝรั่งมาเยอะแกต้องย้ายไปสอนที่สหรัฐครับไปอยู่ที่โอเรกอนทั้งหุบเขาแกซื้อหมดเลยครับผมอยู่เมืองไทยผมก็อ่านตามข่าวมีโลนสรอยร้อยขัน ไปเทศที่อเมริกาครั้งสุดท้ายที่ทราบข่าวคือไปนั่งปฏิบัติกรรมฐานไม่พูดจาสองปีออกมาจากเข้าเงียบเลขาผู้หญิงผู้ชายยึดสำนักเอาเงินไปหมดเลยเอาเงินไปหมด สหรัฐเขาทำไงเขาเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับเพราะเอาเงินไปไหนก็ไม่รู้ตกหนักเจ้าสํานักครับเรียกภาษีย้อนหลังแกนั่งเครื่องบินเจ็จหนีครับเขามีส่วนตัวเลยครับสหรัฐจับอยู่ปลายทางในที่สุดขายสํานักทิ้งจ่ายภาษีกลับมาตายที่อินเดีย สมัยหนังสือของแกเนี่ยขายดิบขายดีนะก่อนนั้นเนียคือชื่อพระกาวานหลายชนิดคนอินเดียมไม่ยอมให้ใช้ชื่อนี้เพราะไปยกตัวเป็นพระกาวานหรือพระเจ้าตอนนี้เปลี่ยนานามปากกานะครับในตลาดหนังสือภาษาอังกฤษเป็นโอชิไปแล้วครับไม่ใช่อิชิ G นะ <laughs> เอาคือฮินดูก็ไม่ยอมรับเพราะเอาพุทธไปสอน แต่ศดีท่าไหนนวัตกรรมนึกถึงสมัยสังกัาจารยเยนะแบบนี้เลยดีต่วอเมริกาไล่กลับนไมงั้นเน่พระไทยในอเมริก า, าไม่มีทางได้เทศเลยครับเอาแกอเอาไปหากินไปเทศหมดเลยปรัชญาปาริปิตาสูตรของมหายาณแกยังเอาไปเทศเลยครับแล้วพูดฟังเข้าใจง่ายด้วยเป็นภาษากังกไพเราะด้วยฝลั่งก็เลยติด เรื่องยากๆนี่แกพูดแกเป็นคนอินเดียนีย่พูดภาษาอังกฤษโอ้ยไเระและวกมีรู้ภาษาส ก, กิตบาลูบาลีด้วยมันก็เลยเอาของเราที่เราเฝ้าไว้อย่างดีเลยนะไปขายหมดเลยนี่คือตัวอย่างของนวัตรกรรมด้านกระบวนการและบริการอันที่สองอันที่สามครบับริกา ร, รนวัตรกรรมด้านการบริการส่งธรรมะถึงที่ครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยไ อ, ไ, อไอ้พวกพิซซ่าใช่ไหมเดลิเวอรี่อะไนระขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยพิมพ์พร้อมกันทั่วโลกครับเป็นเหตุให้คุณกำพลวัชรพลได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกอะ่ะยูนิสโกเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้ทำไมเจ้าของหนังสือพิมพ์คนนี้เนี่ยนะแต่แค่เสียชีอ่ออยูแล้วนะ เป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนท่นธานกุททาสเนี่ยการแล้วนะหนึ่งแกสร้างโรงเรียนไทยรัฐอันที่สองแกมีนวัตรกรรมในการทาหนังสือพิมพ์หลายอย่างล่าสุดนี่นะครับพิมพ์พร้อมกันทั่วโลกเอก็อ่านไทยรัฐเลยเขาส่งทางหลักทางอินเทอร์เน็ตไปพิมพ์พิมพ์พร้อมกันหลายหลายที่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งนี่คือด้าน บริการถึงที่เพราะฉะนั้นผมกำลังคิดว่าตำลบตำหรับตำราของเราเนี่ยเรามีเว็บของเราที่จะสอนบาลีนะักธรรมอะไรดีๆเนี่ยรวมกันพัฒนากันไปเรื่อยๆสอนธรรมะอย่างไรให้มันเข้าใจง่ายบาลีอย่างไรให้เรียนได้ง่ายอุ้ยท่านเราใช้นะวัตกรรมได้สุดท้ายครับ นวัตกรรมมีสอย่างในยุค 4.0 นะหนึ่งในเรื่องผลิตภัณฑ์สองในเรื่องกระบวนการยกยกตัวอย่างกระบวนการให้ให้เห็นนี่รถยนต์เนี่นะครับรถยนต์ออฟอร์ดนะครับจก่อนเนี่ยประมาณสัก24ชั่วโมงได้หนึ่งคันเมื่อ50ปี60ปีมาแล้วหรือ70ปีเฮนรี่ฟอร์ดนี่นะใช้สายพานการผลิต ค, ครับ เอาเครื่องจักรมาวางไปตัวนู๊ดเอาน็อตตรงนี้ใส่ไปตัวนู๊ดเอาอะไรใส่พอไปถึงสุดท้ายสายพานสุดท้ายเนี่ยได้รถยนตมาหนึ่งคันสายพานการผลิตเป็นนวัตกรรมในการผลิตผมว่าพระนานสามาวดีเนี่ยนวัตกรรมในเรื่องของการทํารั้วนะครับแต่นั่นสองพันห้าร้อปีมาแล้วเลยใช่ไหมคนมาขอข้าวเศรษฐีเนี่ยโอ้โหแย่งกันยังอะไร แกทำเส้นขึงเหมือนลวน่ะเหมือนตามสนามบินทุกวันนี้เนี่ยคิดออกได้ยังไงเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วเงียบเลยไม่แย่งกันเลยเลยได้เป็นสามาดีได้เป็นไมเหสีพระเจ้าอุตรีนนวัตกรรมทางนั้นล่ะท่านใครมีไอเดียใหม่ๆนี่คือกระบวนการนี่คือการบริการ ส่งถึงที่รวดเร็วธรรมะถึงประชาชนอะไรก็ตามการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้คุณภาพเท่ากันในยุค 4.0 ผมพูดไว้ก่อนนะครับเรียนเรียนบาลีนักธรรมที่อรัญญประเทศกับเรียนที่สำนักวสภยาคุณภาพต้องไม่ต่างกันต่างไหมล่ะถ้าเราต่างเรายุคอยู่ในยุคอะไร แต่ต่อไปนี้เนี่ยนะครับการศึกษา 4.0 ไม่ว่าคุณเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามอำเภอไหนก็ตามมันจะเหมือนจบเทพิรินจบ เ, เรียนบูดมถามว่าเป็นไปได้ยังไงไปดูในอเมริกาเหมือนกันหมดเลยครับเรียนโรงเรียนใกล้บ้านกันหมดเลยครับเก่งเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น 4.0 เนี่ยเขาจะทําโรงเรียนให้เป็นอย่างนั้น และมีโรงเรียนต้นแบบท่านคิดเตรียไมไว้ได้เลยครับโรงเรียนต้นแบบด้านของเราทุกอำเภอนัดธรรมบาลีไอ้ที่เป็นว่านดโรงเรียนประจาจังหวัดมันต้องเข้าสี่สูสูนี่นะสอนมีคุณภาพเลยนะมันไม่ใช่มีแต่ประกาศขึ้นป้ายเฉยๆฉะนั้นในสุดท้ายครับของนวัตกรรมก็คือ บริหารจัดการบริหารจัดการอย่างไรที่มันมีวิธีการใหม่ๆที่ทําให้โรงเรียนปริทําธรรมของเรานี้โอ้โหก้าวหนะ้าครูใหญ่ผู้อำนวยการอะไรต่างบริหารดีเหลือเกินลองคิดดูกันลกันนะครับอา้าวผมยกตัวอย่างโรงเรียน 4.0 นะครับที่เขากำหนดไว้ตั้งแต่ปี2500 60เป็นต้นไปเนี่ยต้องประกาศเป็นนโยบายตอนนี้กำลังออกเป็นกฎกระทรวงยังไม่ได้ออกนะครับหนึ่งห้องเรียนต้องไม่ใหญ่เกินไปนักเรียนต่อห้องไม่เกินสามสิบหกคนเราเข้าแก๊ปเลยเพราะมันไม่มีเท่าไหร่หรอก <c oughs> <c oughs> ไม่เกินสาสหกคนสองจัดความพร้อมของโรงเรียนโรงเรียนทั้งประเทศอย่างน้อยหนึ่งทุกตำบลเริ่มเพจะต้องมีคุณภาพเท่าเทีเทยมกัน ในยุค 4.0 โรงเรียนนักธรรมโรงเรียนบาลีเราเข้ากระแสะได้เลยในเมื่อโรงเรียนอำเภอโรงเรียนจังหวัดเขาขนาดนี้ได้เขาจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้แล้วโรงเรียนพระมันจะต้องไม่ได้ด้อยกว่ากันสายสามันก็ต้องไม่ได้ด้อยกว่ากั น, น, น, ก ต, ววกนต้องมีมาตรฐานเดียวกันเขามีเครื่องมือมีห้องแล a p อัลตราไรต่างเรามีหมดเกาะกระแสะไปสิครับ <c oughs> แล้วเราก็มาสร้างมาตรฐานโรงเรียนของเราว่าถ้าจะให้เป็นโรงเรียนที่ นำหน้าในอำเภอในตำบลเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องไมายเครื่องมีมีสื่อมีอุปกรณ์อะไรบ้างไม่ใช่กระดาษช็อกแอนท้องอยู่กันน่ะนั่นหนึ่งจุสูตรข้อสามครับหลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชามีอันนี้เป็นเรื่องของเขาที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ STEM education ครับ ใน 3.0 มนยในยุคที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียนแยกครับเรียนวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีเรียนวิศวะเรียนคณิตศาสตร์เรียนแยกแต่ญี่ปุ่นเขาเรียนรวมครับเขาเรียกส t ตมเอเจคชั่น STEM สเตมมาจากคำว่าตัว S คือวิทยศาศาสตร์ตัวทคือเทคโนโลยี Technology, E คือ engineering และก็ M คือ mathematics เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับเราเรียนเป็นวิชาในสมัยนี้นะคณิตศา ส, าสตร์ก่อนเรียนบวกเลขนับเลขคูเลขไปอาจารย์สอนกันหนึ่งคนวิทยศาศาสตร์ก็ไปเรียนอีกคนหนึ่งวิศวะอีกคนหนึ่งอะไรก็เทคโนโลยีก็เรียนอีกคน แต่ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะสอนแบบเต็มคือประยุกใช้ครับประยุกใช้สมมติว่าสร้างโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการสร้างความรู้นวัตกรรมเนี่ยถ้าเด็กเล็กถ้าเด็กโตหน่อยสมมติจะทำให้เด็กเนี่ยสร้างส ม, สมมติว่าให้เด็กเนี่ยทำ ه, เ, คน เ, นเครื่องกวาดพื้นเนี่ยเครื่องกวาดพื้นขึ้นมาดูดฝุ่นหนึ่งเครื่องในการทำเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งเครื่องเนี่ยให้ใช้ความรู้สี่อย่างและบอกให้ได้ว่าอันไหนมาจากอะไรในการทำเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งเครื่องเนี่ยอันไหนเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ที่เอามาใช้อันไหนเป็นความรู้ด้านเทคโนโลยี ที่ไปซื้อสายไฟซื้ออะไรมาเนี่ยเอามาใช้อันไหนเป็นความรู้ด้านาวิศวะการออกแบบสถาปัตย์อะไรมาใช้อันไหนคือการคํานวณเด็กมันจะเรียนคํานวณไปพร้อมๆกับที่ทำอะไรครับเขาเรียนเรียนแบบบุรณากรรมเนี่ยแล้วมันก็จะได้นะวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราทำจีวร น, นะคร ผลิจีวรขึ้นมาผ้าขึ้นมาหนึ่งผืนนวัตกรรมของเขาก็คือเขาไปเอาผ้าจีวรเนี่ยนะครับน้ําสาดไม่เปียกครับแล้วเวลาจะซักทํำยังไงฟูนมันมันจับที่ผ้าเอาน้ํามันรูปเท่านั้นแหละรครับฟูนมันจะออกมาเลยผ้าแบบนี้เนี่ยเวลาทําขึ้นมา การขึงการตัดนี่มันเป็นคณิตศาสตร์การไปเอาผ้ามาเป็นเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ตรงไหนครับเขาดูดอกบัวท่านนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาดอกบัวทำไมพระพุทธเจ้า จ, จึงเปรียบเทียบพระองค์เหมือนดอกบัวมีคนถามว่าพระองค์เป็นใคร พระพุทธาตอว่าปุนดริกังยาถาอุ ข, ขังโตเนยานุปริปติดอกบัวเมื่อโผล่พ้นน้ำไม่แปดเปืือนน้ำฉันใดเราตถาคตเกิดในโลกอยู่ในโลกก็ไม่แปดเปื่อนในโลกกระทำชันนั้นเราจึงเป็นพุทธะเขาเอาดอกบัวนี่ไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใบบัวนะครับ มันไม่เปียกน้ำเพราะว่ามันมีขนเล็กเหมือนเล็กกว่าเข็มอีกครับสองกล้องดูเนี่ยนะมันมีขนเล็กๆเหมือนเข็มเนี่ยนะครับอยู่จีมกันเวลาท่านเอาน้ำไปไปเทบนใบบัวไปลาดบนใบบัวเนี่ยหยดน้ำมันเป็นโมเลกุล น, นะครับหยดน้ำเล็กที่สุดเนี่ยใหญ่กว่าช่องเข็มอีกในใบบัวเพราะฉะนั้นมันจึงลงเข้าไปถึงผิว ใบบัวไม่ได้มันกลิ้งอยู่ไปบนบนขนเล็กๆ ก, กันเนะ่เวลามันกลิ้งมันก็เอาอะไรเอาฝุ่นเอาผงไปด้วยไงน้ำจะกลิ้งบนใบบัวเพราะใบบัวมันมีขนเล็กๆๆมองใยตาเปล่าไม่เห็นแต่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่าช่องระหว่างนั้นน้ำมันก็เลยกลิ้งไปเขาก็เอาไอเดียนีย้มาทาจีวรพระต่อไปเนี่ยท่านไม่ต้องซักเลยครับพระุงเนี่ย 15บห้าวันอาบน้ำผลหนึ่งเเจวันอาบน้ำาลหนึ่งเห็นไหมนี่นี่คือวิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างว่าเรียนแบบบรณารการผมนึกถึงอะไรครับเวลาเราเรียนธรรมะเนี่ยเราแยกวิชาเลยเอาไปใช้ยากกระทู้ธรรมะพุทธวินัยเห็นไหมแยกไปแต่และ ว, วิชาเนี่ยเวลาเรียนแต่งกระทู้ที่จริงเนี่ยใครแต่งกระทู้เนี่ย มันต้องเรียนอะไรธรรมะด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไปแต่งเรื่องอื่นอยู่ในคันติโซนละจานั่นแหละสอนกระทู้คือสอนธรรมะและสอนธรรมะคือสอนพุทธพุทธประวัติพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ที่ไหนเรื่องอริยสัจสีตรัสที่ให ก็ได้เข้าพุทธประวัติสอนอริยสัจสีกครั้งแรกในปฐมเทศนาสอนแก่ใครปัญจวัคคีย์เป็นอริยสงสเร็จพระโสดาบันเจรวญธะอาหารเกิดคณะสงฆ์ขึ้นมาถามว่าพระสงฆ์ต้องมีศีลมีวินัยมันก็จะไปสัมพันธ์กับ วิไหนเกิดความเข้าใจเป็นระบบท่านเหมือนเรียนสเต็มเนี่ยทําให้อะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งวิย์คณิตอยู่ตรงไหนสอนหมดเลยครับในชีวิตจริงยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยนะพี่ผมพูดเนี่ยนะคือต่อไปนี้เนี่ยเขาจะสอนกันอย่างนี้วิชาเรามีสีวิชานั่นแหละแต่งกระทูนี่ยมันต้องไปเอาเรื่องไหนเอาธรรมะที่เรียนนี่มาแต่ง ตัวอย่างเอามาจากพุทธประวัติกันเลยให้มันกลมกลืนและในที่สุดในชีวิตจริงมันเอามาใช้ได้เขามุ่งตรงนี้เรียนแบบแยกส่วนก็เรียนเถอะผมไม่ว่าสอบแบบแยกส่วนก็ไม่ว่ากันแต่กระบวนการเรียนการสอนเนี่ยลองดูข้างนอกเขาทํำยังไงรวมถึงภาษาท่านเรียนภาษาบาลีเนี่ยนะครับอันนี้ไปพูดถึง นวตัต ก, กรรมที่ที่เราไปใช้ในภาษาบาลีเนี่ยทักษะนี่นะครับมันมีอ่านนะครับอ่านเขียนพูดฝังอ่านเขียนพูดฝังแต่เราเรียนไม่ครบสี่ทักษะมันจริงยากไม่มีพูดไม่มีฝัง มันจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้แต่อ่านกับเขียนแต่จริงๆเนี่ยนะเด็กเกิดมาเนี่ยก่อนจะอ่านกับเขียนมันทำอะไรก่อนท่านมันพูดมันฟังทนะ่านถ้าเราเอาพูดเอาฟังมาด้วยนะซึ่งเราก็ทำอยู่ทุกวันแล้วครับทวาวันเช้าทำวันเย็นเนี่ยส่วนมน์น่ะแต่มันไม่สัมพันธ์กันกับเรียนบาลีสวดกันไปอยู่นั่นแหละฟังก็อยู่นั่นแหละ แต่มันไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเราเอาบทสวดมนต์ที่เราสวดมานี่มาเรียนด้วยนะแล้วก็ไปสวด น, นะโอ้ยคล่องเลยท่านมันสัมพันธ์กับชีวิตแล้วญาติโยมก็จะฉลาดอย่างเรียนบาลีเวลาจะเรียนบาลีกับให้โยมอย่างเดียนี้โยมไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกมาเรียนไอ้บทสวดมนต์นี่แหละเจ็ดตำนานทีสองตำนานนี่แหละนนนนและปลได้หมดเลยแล้วเราก็ว่าไปอวัยกรรมเป็นยังไง น, นี่แปลยังไง เอวเมสูตังคืออะไรเนี่ยนี่คือหลักสูตรในปีหกศูนย์เป็นต้นไปครับเขาจะเรียนกันอย่างนี้ผมไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนหลักสูตรนะผมหมายถึงว่าวิธีเป็นโปปร เ, เป็นกระบวนการเรียนให้มันเชื่อมมันสัมพันธ์กับชีวิตจริงท่านนั้นแหละครับ <c oughs> ปร า, รารกฏว่าเรียนบาลีก็เรียนไปทาวัดไปสวดมนต์กับสวดไปมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ผมเนี่ย เวลาเรียนระโยคแปรโยก้าเนี่ยหัวมันจะคิดตัวเลขบารีทันไปทาวัดกับคิดมันโยงกันหมดกับวิชาแต่งมีสอบ ร, ระโยก้าจาว่าสรรมยากกลับไปหรือประโยคแปรก็ไม่ทราบแต่งบางคำนีเ่เหมือนกัดเป็นกรรมกรรมเป็นกัดเนี่ยนะเราแต่งผิดประโยคแล้วมังเนี่ยมันรีบครับมันต้องส่งหรือไงมัน แล้วประโยคกรรมเราแต่งเป็นประโยชกรรมที่จริงเราเอากิริยาเนี่ยต้องการให้เป็นประโยชนกรรมแต่ไปใช้กิริยาเป็นกรรมตกแน่ๆเลย <c oughs> คิดกังวลอยู่เนี่ย <c oughs> พอไปทําวัดครับบททาวัดนั่นแหละมันเข้าหูผมไม่รู้ตัวมันคือไอ้ตัวนั้นแหละที่เป็นประโยคกรรมนั่นแหละ <c oughs> แต่ความที่เราสวดมนต์อยู่ประจําเนี่ยนะครับมันแต่งตรงเนี้ยมันก็แต่งตามนั้นมันเป็นประโยคแบบท่าน <c oughs> โอ้เราแต่งทูกเนี่ ถ้าไม่ถูกก็ต้องไปเลิกไอ้บทส่วนบท น, น่ยทำว่า น, น่ยทำให้เราจําผิดพบสอบได้ออาจารย์ที่มหาจุฬารูปหนึ่งครับสอบประโยคแปดได้แล้วประโยคเก้าสอบแล้วสอบอีกจนไปเรียนต่อดอกเตอร์จบดอกเตอร์กลับมาประโยคเก้ายังสอบไม่ได้ปีหนึ่งเกือบสอบได้แล้วครับประโยคเก้าเกือบเต้นผิดซะนั่นแหละ อะไรล่ะมาเล่าให้ผมฟังศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรศีลคืออะไรก็กิ่งสีหลังใช่ไหมญญ ส, สมาธิคือปัญญ า, ค, าคืออะไรก็อิถธิลิงใช่ไหมกาปัญญาพอสมาธิคืออะไรนี่ เ, เป็นกาสมาธิท่าน <c oughs> <c oughs> อวังสิโูเลยอ่ะ <c oughs> ถ้าล้มโบสทํทำว่าสวดมนต์่ะ สีละปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสอาจาพุ่งลิ่งแสดงก็ไม่ค่อยได้ลงบทผมว่าการสมาธิเด็กไงสมาธิปริภาวิโตสีละปริภาวิโตสมาธิมหัพโลเห็นไหมเราก็สวดกันอยู่นะวันโกนะถ้ามันสัมพัน การชีวิตยอย่างนี้นะครับอู้สนุกเียนสนุกครับผมไปพม่าครับวัดมหาคันธายงนะท่านลองไปดูสำนักที่อยู่ที่ย่างกุ้งครับสำนักเรียนมหาคันธายงวันที่ผมไปนะสี่ห้าปีมาแนะมีนักเรียนบาลีห้าพันห้าพันรูปมันเรียนอะไรกันนะักขหนาเยอะแยะหมดนะ ผมก็เข้าไปในห้องเนน้อยครับเรียนบาลีก็ยังไงอาจารย์อาจารย์นั่งเก้าอี้สอนเนไม่มีเก้าอี้ครับนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นเวลาจะเขียนก็เหมือนกับเอ็ไปกับพื้นนี่ยนะเหมือนกึ่งนอนอ่ะเขียนไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยท่านช็อปนั่นแหละเขียนเลยเสร็จแล้ว ผมก็ไปดู mm hmm. ใกล้ๆเขาเขียนเป็น อ, อนักษรธรรมแบบเหมือน อ, อนักษรธรรมบ้านเราเขาเขียนอะไรกันถามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เขาก็ชวนพูดทุกเป็นวิชาอะไรครับอกเป็นวิชา conversation สนทนาภาษาบาลีครับ mm hmm. เขาเรียนตั้งแต่เล็กเลยครับเหมือนอุปยภาพบ้านเราเนะี่ยเอามาสนทนากันจริงๆเรื่องสอบด้วย <c oughs> ผมจึงเข้าใจว่าโอ้ทำไมเวลาผ ม, ผมจัดประชุมนานาชาติเอาให้ใช้ภาษาอังกฤษพระไทย่องเลย แต่เวลาถามไปให้สัมมนาเป็นภาษาบาลีนยอ่านได้อย่างเดียวเขียนไปอ่านเขาเขามาพูดตอบอะไรต่างๆ่ะแข่งกันผมเคยจัดแล้ที่มหาจุฬาทักษะท่านมันเป็นทักษะเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยถ้าเรามีเทปเปิดให้ฟังบ่อยๆเนี่ยฟังเป็นภาษาบาลีไม่ต้องแปลนะครับมันจะคิดเพราะไวยากรณ์มันมีสองอย่างครับ ไวยากรณ์แบบท่องจำกับเขาเรียกดีฟสตัชเจอร์โครงสร้างอยู่ข้างในโครงสร้างนี้ต้องใช้จริงๆแล้วมันจะเป็นไวยากรณ์เองเหมือนเด็กพูดภาษาไทยไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาไทยครับเพราะว่าโครงสร้างมันไปอยู่ในจิตถ้าเราใช้ในชีวิตประจวบไวยากรณ์มันจะไปอยู่ในนั้นเด็กเกิดอายุหกขวบเรียนไวยากรณ์ภาษาใหม่ยากครับ ถ้าเด็กเคยถูกเก็บอยู่ห้องใต้ดินนะครับไม่ได้พูดใครเลยเนี่ยจนอายุแปดขวบข้าวขวบพูดมนุษย์ภาษามนุษย์ไม่ได้มันไม่มีไวยากรวไวยากรณ์มันจะเกิดตอนเนี้ห้าหกขวบ เ, เพราะฉะนั้นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนมันมันไม่ใช่เรียนสาแสงแล้วมาเรียนวยากรณไปด้วยนะเวลามันพูดอ่ยโครงสร้างไวยากรเนี่ยอันนี้คือเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันใช้ที่ว่านวัตกรรมเนี่ย แล้ววยากรณภาษาบาลีกับวยากรภาษ า, า, ษาไทยมันคนละโครงสร้างท่านมันถึงได้เรียนยากเย็นแสนเข็นทําไมคนแขกพูดภาษาฮินดีเนี่ยนะครับจึงเอาพระไตรไปหนกเอาทมบทเราไปสอนกินหมดอ่ะพู้ภาษาบาลีเราเปล้อเลยนะครับแถวนาลันทานแล้วแรงต่างเนี่เพราะมันโครงสร้างเดียวกันเหมือนภาษาลาวกับภาษาไทยเนี่ยนะครับโครงสร้างไวยากรณ์มันในเดียวกันแล้วไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันต้องปลูกฝังด้วย ต้องต้องต้องเหมือนกับต้องพูดต้องใช้แล้วไวยากรณ์มันจะลงไปเองฉะนั้นเมื่อผมเรียนเรียนภาษาบาลีไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมก็เรียนภาษาอังกฤษไปพวามจบประโยคสามพูดเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยสองไวยากรณ์เนี่ยมันคล้ายกันมันเป็นภาษามีวิพัตน์ปัจจัยเหมือนกันภาษาบาลีมันก็มีวิพัฒน์ปัจจัยภาษาอังกฤษมันก็มีวิพัฒน์ปัจจัย มันกลายเป็นเสริมกันนะครับเวลาผมพูดภาษาภาษาอังกฤษผมไม่ต้องแปลผมก็พูดไปเรื่อยๆเลยตอนหลังนี่ทําไมเรามาเรียนอ่านพราไตรปิฎกทำไมเราต้องแปลด้วยอ่านไปแล้วมันจะรู้เองท่านเหมือนเราฟังสวดบ๊วนบนเนยเราไม่ต้องแปลถ้าแปลมันฟังไม่ทันนี่คือการฝึกฟังครับท่านสวดมาเถิดแล้วผมก็ฟังของผมถ้าเราคิดแปลตรงนี้เป็นปุง๊งนิ่งนะปุ๊งหสวดไปไหนเราคืงจะรู้เรื่องนี่ฟังเขาสวดไปเรื่อยๆมันจะซึ้งไหมครับ มันเหมือนกับฟังคนพูดภาษาไทยนะท่าไม่ต้องคิดเลยอันไหนมันเป็นประธานไหนกิริยาภาษาอังกฤษก็เหมือนกันฝรั่งมันพูดกันมันไม่ต้องคิดไวยากรณ์มันทํำงานภาษาบาลีก็แบบเดียวกันที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้สวดไปแล้วก็ฟังรู้เรื่องไปด้วยให้ได้สับแค่นั้นเนี่ยฟังมันหมายถึงอะไรเหมือนกับเราฟังแล้วมันจะเพลินเรียนสนุกผมอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยผมถ้าไม่ถ้าไม่ติดเรื่องสับผมก็ฟังฟังเวลาฟังสวดก็จะรู้ไปด้วยผมไม่ได้ทำว่าสวดมนต์เหมือน สวดอย่างเดียวเพจะฟังไปด้วยมีความสุขนันเหมือนกับฟังคนพูดภาษาอังกฤษเราไม่ต้องแปลทีนี้จากประสบการณ์ผมเนี่ยพอ ผ, ผมไปเรียนทวิริพลผมจะต้องทำวิริพล เ, เกี่ยวกับคำคำสอนพูดสนาเทียบกับคําสอนปรัชญาฝรั่งเศสอาจารย์บอกท่านเรียนไม่ได้นะเพราะท่านไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วจะทําทไงท่านต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส อยู่เมืองไทยเนี่ยเด็กเรียนฝรั่งเศสมันยากนะครับผมก็ลองไปเรียนดูไปให้อาจจะไปเรียนในห้องเรียนลงทะเบียนเรียนอาจารย์ฝรั่งเศสสอนเขาใช้ภาษาอังกฤษสอนฝรั่งเศสท่านมันเทียบกันง่ายแล้วเกิดพอเรารู้ฝรั่งเศสนะนะไอ้รู้ภาษาอังกฤษนะโยงภาษาภาษาฝรั่งเศสมันง่ายครับเหมือนกับคนที่เหมือนกับรัฐมนตรีช่วยเอออไอ้ทูดทูดลาวเนี่ยนะครับ กอจะกลับเขามาลาผมคนคนล่าสุดเขามาขอบคุณมหาจุลาที่ผลิตคนไปช่วยงานในประเทศลาวไปเป็นครูบาอาจารย์ไปอะไรต่างเขาเขาบอกว่าประเมินผลกันแล้วผู้ที่จบจากมหาจุลาไปทํางานที่ลาวเนี่ยเก่งกว่าผู้จบจากรัสเซียเก่งกว่ากวบจากยุโรปทํางานดีกว่าด้วยความรู้ดีกว่าด้วยประเมินแล้ว เราก็ภูมิใจสอนเก่งทํำไมถึงความรู้ดีกว่าก็ภาษามันใกล้กันถ้าเรามาเรียนภาษาจุฬาดิโอ้ยเข้าถึงหลักคำคำซับซอนลึกซึ้ง <_ d ata> ไอ้พวกไปเรียนแล้เสียเปิดเด็กอยู่ด้วยแหละท่านกว่าจะรู้วิชาการเนี่ยไม่ทันกินโอ้ยจบจากเราไปจบจากไทยเดี๋ยวนี้เขาเลยแห่มาเรียนไทยกันไงกลับไปทํางานได้เลย เดี๋ยวๆก็ขอตำแหน่งทางวิชาการได้แล้วเลื่อนซีได้ทําไมตํำาราแปลออกไปเยอะเอาตําราไทยไปแปลเป็นภาษาเราตัดไม่แปลไม่เป็นบมอเท่านั้นแหละ <laughs> เดี๋ยวก็ได้เล่มเดี๋ยวก็ได้เล่บ <laughs> โมบิน่าแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ <laughs> เนี่ยแล้วไม่ใช่มาเรียนแต่มาหาวิทยาลัยนมาห า, า, าวิทยาคารว่าด้วยนะท่านมันได้ความรู้ไปเรียนแล้วเสียบที่เรียนอู้ยกว่าจะเข้าซึ้งมัน นี่ผมกำลังบอกว่าพอเราได้ภาษาอังกฤษนะภาษาฝรั่งเศสยิ่งยิ่งยิ่งหน้าเรียนใหญ่มันมีปูนลิงอิทีิลิงนะปูสกลิงด้วยนะภาษาฝรั่งเศสท่านไอ้เราโดนเก็บปองมาแล้วไอผิดลิงเนี่ยโอยไปเจอภาษาฝรั่งเศสมันง่ายแต่ภาษาอังกฤษไม่มีลิงชัดเจนนะครับภาษาฝรั่งเศสมีมิน่าแล้วเด็กไทยเรียนฝรั่งเศสมันถึงมึนไปหมด เจอภาษาไทยไม่มีลิงไปเจอภาษาฝรั่งเศสไอ้เรานี่เจ อ, ป, อประโยชเก้ามาเก็บลิงเราเน่อยไปเจอฝรั่งเศสยิ่งภาษาอังกฤษเราก็รู้มันก็ง่ายท่านให้ผมเรียนลาตินผมก็เรียนได้อย่างเงี้ยโอ้ตัดไม้เป็นบอร์แปลไม้เป็นบอร์ดมันใกล้กันผมจึงนึกว่าถ้าในยุคเนะีในส่วนตัวผมนะนนนเนี่ยในยุคในยุคอ่าในยุคหกสี่จุดศูนย์เนี่ยประเทศไทยมันต้องเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางอาเซียน ศูนย์กลางอะไรกัเถอเราผมตั้งคำถามเราเก่งภาษาบาลีอยู่แล้วเนี่ยเราทำไมไม่เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยแต่ต้องเรียนเทียบกันนะภาษาบาลีก็ให้รู้จริงนะคือภาษาบาลีพระไทยเราเนี่ยนะที่ไปเีนภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าต้องเขียนเราเรียนภาษาบาลีแบบเขียนแบบอ่านแต่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศถ้ามันได้ผลเนี่ยนะ คนไทยก็เรียนภาษาอังกฤษแบบเขียนเงั้นเราเรียนเนี่ยแหละเขียนก็อ่านเจอฝรั่งวิ่งหนีทุกคนพูดไม่ได้ถู้ไอู้ไอ้อะไรไอ้หมอหนวดพัดไอ้แถวพัทยาไม่ได้นะมันยากอะไรกันล่ะเพราะเราเรียนไอ้พวกเรียนในโรงเรียนมันก็ไม่ครบทักษะ4อย่างอ่านพูดฟังเขียนเรียนบาลีเราก็ไม่ครบเพราะอย่างนั้นเรียนภาษาอังกฤษเราก็พูดไม่ได้เรียนภาษาบาลีแล้วก็ฟังสวดไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเรามีกระบวนการที่มันสนุกอย่างเงี้ยนะผมนี่คนมาถามทำไมผมไปปาตากถาเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกเขียนหนังสือพูดทะเลาะแข่งกันเถียงกันได้หมดจัดประชุมวีสาหกเพราะว่าภาษาบาลีภาษาอังกฤษผมมันเชื่อมกับภาษาบาลีแล้วยังเชื่อมกับภาษาฝรั่งเศสอีกวยากรเน่ยสับแสงอะไรต่างคือทักษะท่านผมผมเห็นเองอย่างนี้เนี่ย ผมก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เขาถ้าจะทำางไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่มเหมือนกับในยุคนี้หกไอซีจศูนเนี่ยมันต้องการคนที่เก่งเรื่องภาษาท่านเข้าไปวัดสามารถที่จะบอกนู่นี่แล้วภาษามันใกล้กันแล้วทำไมเราไม่มีโอกาสตรงนี้ผมก็เสียดายผมพมนึกผมนึกถึงสเต็มไงเรียนในแค่เครื่องดูดฝุนนี่มาได้ทั้งวิทย์ทั้งคณิตทั้ง ทุกอย่างเรียนบาลีมันกจ็จะต้องแบบเดียวกันเรียนยนักเรียนนักธรรมก็ต้องแบบเดียวกันแล้วเสร็จแล้วมันเกิด อ, อะไรคือมันคิดเป็นมันเชื่อมโยงในหัวเราเนี่ยในสมองเราในเ อ, อในสิ่งที่ท่านจอมันหายไปแล้วในสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ย เรื่องการศึกษา 4.0 เนี่ยนะครับเขาสรุปไว้อย่างนี้อู้อันไม่เห็นราคันแต่ผมให้ดูอะพูดอีกชั่วโมงก็ไม่หมดเขาสรุปเป็นเขาเรียก Mind mapping โครงสร้างเอาไว้เป็นเรื่องเปราวของเป็นนโยบายของกระทรวงสรุปอีกทีนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าท่านจะไปดูที่ไหนอย่างไรก็คือแผนการศึกษาของชาติครับ แผนการศึกษาของชาติเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วครับผมเออไหนไหนพูดพูดเรื่องนี้หน่อยเราจะต้องนึกถึงคนที่มาเรียนกับเราด้วยนะครับเด็กที่จะเข้ามาบวชมาเรียนเนี่ยเด็กรุ่นที่อายุเอาตีว่าสิบสองขวบมาบวชเนรจบมาเรียนนักขัมตรีโทเอกเนี่ยหรือจบ มมอสาอายุสิบห้ามาเรียนมาบทเรียนกับเราเนี่ยเด็กรุ่นนี้ไม่เหมือนกับเด็กรุ่นคนก่อนสอนเขาก็ต้องสอนคนละอยา่างอันนี้มันคือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งรุ่นคนเนี่ยเป็นเจเนอเรชันครับและเขาจัดหลังสูนเนี่ยตามเจเนอเรชันคน เด็กที่เติบโตมาจากมากานกล้วยนะครับเวลามาเรียนป .1 ป .2 มันก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งเยอะไหมเออแล้วเด็กที่มันเติบโตมาจากไอ้เกมกดเนี่ยมาบวชเนะี่ยเรียนธรรมะมันก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งนะท่านนะเพราะว่าเดีวมาเร็วมากผมเห็นเด็กเดี๋ยวนี้มันไปวัดมันไม่ทําอะไรเลยนะตามพ่อแม่ไปนะ มันกดอะไรอยู่นั่นแหละเกมกดมันโรงเรียนเขาก็ต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเจเนอเรชันมันเป็นกันทุกคนอะเราจะไปโทษเด็กสมัยนี้มาในเรื่องไหนแล้วก็ทรมันต้องให้มันกดได้สิโอ้มันจิ้มอยู่นั่นแหละเขาในอเมริกานะครับยกตัวอย่างเขาแบ่งเจเนอเรชันคนเนี่ยอ๋อเป็นใบบัวไปมซะ เดี๋ยวน ะ, ะเราี่ตามไม่ทันเลยนะฮะเราอยู่ในยุคไอ้ y b o เบบี้บูเมอร์สก็คือไอ้ส่วงช่วงสงครามเวียดนามเด็กหลังจากนั้นเนี่ยนะพวกเราต้องอยู่รุ่นแรกสิครับก่อนสองครามเวียดนามแล้วก็มาช่วงสงครามเวียดนามหลังจากนั้นก็เรียกว่าเจเนอเรชัน X g e n e r เจเนอเรชันแล้วมานักเรียนปัจจุบันเนี่ย เป็นเจเนอเรชัน Z หมดแล้วเนะี่ยไม่รู้หลังจากนั้นจะไปเริ่มอะไรอีกแล้วเขาบอกว่า A A x อ z อ็กมันเป็นยังไงไม่รู้เลยนะั้นท่านลองไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเราเรารุ่นเรารเนี่ยมันกรี๊ดกันลูกกุ น, กนอะมันกรีก๊ดกันนะอะไรนังหนายเ้พราะน้นเจเนอเรชันเอแต่มาปัจจุบันนี่นะครับเจเนอเรชัน Z เด็กรุ่นใหม่เนี่ย มันไม่ได้มีเอาไว์อาไม่มีไม่ใช่มีอายตนะแค่ตาหูจมูกลิ้นเนะมันมีโทรศัพท์มือถือเป็นเป็นอายตนะด้วยนะไม่งั้นโลกมันมืดบอดไปเลยนะเออมันถึงพ่อแม่ต้องยอมนะบางทีผมโทรศัพท์ไปสั่งงานเนี่ยลูกมันพูดอ๋อเออเอะทําไมพ่อไปไหนลูกแย่งโทรศัพท์ไปกดหมดแหละไม่ได้คุยงานเลยนะ่ะโ อ, อ้เนี่ย แล้วแล้วเสร็จแล้วพอมันเข้ามือถือนี่มันเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันนะครับมันหาความรู้ได้ทุกที่แล้วมันชอบความเร็วใจร้อนความอดทนมันจะต่ำเพราะฉะนั้นตั้งแต่เจเนเรชั่นก่อนแล้วครับเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยคนทำงานนี่มันไม่เหมือนรุ่นกน่อนๆนะซื่อสัตย์ต่อองค์กรต่อบริษัทตอนหลังนี้ที่ไหนให้เงินเดือนมันเยอะไอเจเนเรชั่นเนี่ย มันมันเปลี่ยน ง, งานเรื่อยซื้อตัวกันง่ายเหมือนประโยก้ารุ่นหลังๆ <c oughs> เนี่ยนี่เจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y ย้ายสานักไปเรื่อยเลยนะเออ <c oughs> ให้รู้ไว้เอยเออใช่ไหมมันโอ้ไอ้ที่ไหนให้ีดีก็ไปแหละยังถ้าเป็นว่าเขาท่านมัน XY <c oughs> ถ้าต้องรู้ไอ้สมัยรุ่นเราเนี่ยหาวันอยู่จนรลงเท้าสึกอะ่ะมันหมดสมัยแล้วท่านมันไม่มีแล้วเจเนเรชันนั้นอะ่ะ มันปเป็นพวกไดโนเสาร์ไปแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ก็จึงเป็นประเภทที่ว่าต้องการความรักความห่วงใยเซนซิทีฟ mm hmm. นะครับ mm hmm. เด็กหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าไม่ได้ครับไปดูไปว่าอะไรเขาเจ้านายดูว่ามันลาออกครับพระเนรรุ่นนี้ก็เหมือนกันเนรรุ่นนี้นะครับไปดูไปเครียดทำไมไม่ท่องแบบลูกขึ้นหาย ซึกงคนนึงถ้าผมก็ตั้งคำถามว่าเราในฐานะที่เป็นซ u เปอร์วเซอร์เป็นนิติศึกษาในเทศเนี่ยมันจะต้องเอาประเด็นเหล่านี้มาศึกษามิฉะนั้นเราก็จะตั้งคำถามว่าทำไมพระเนนไม่ค่อยอยากเรียนบาลีหรืออะไรจริงไม่ใช่ระบบพูดเอาใจเขาอะไรเขาให้ลัางวัดอะไรมันกระบวนการสหรับเจเนเรชัน g อ n e r a เ i o จเนเรชันแเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนรุ่นเรา โออันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมคงจะจบด้วยแผนการศึกษาของชาติที่ให้ท่านทั้งหลายได้ดูคือในเขาต้องการสร้างเด็กรุ่นใหม่อย่างไรนะครับแล้วก็ของเราถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะ นี่ครับวิสัยทันศทน์วิสัยทัศน์ของวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษามี4อย่างครับท่านลองไปปรับดูอันนี้แผนการศึกษา20ปีนับจากปี60ไปถึง79าประกาศใช้เมื่อปีต้นปีเนี่ยกลางปีเนี่ย ข้อแรกนะครับให้พัฒนาระบบและกระบวนการจัด ก, การศึกษาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพข้อ2พัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เก่งดีมีสุขนะครับข้อ3มนี่พัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมสังคมเป็นการเรียนรู้เรียนตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและก็รู้รักสามัคคีถ้าเราผลิตพระเนนของเราเนี่ยนะครับ ให้อยู่ในหนึ่งอยู่ในคุณสมบัติของพลเมืองดีและเพียงแต่ว่าเราต้องมีพัฒนาการเรียนการสอนระบบที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือพัฒนาระบบใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนเราก็จทันเขาได้อันที่สองเราเป็นพลเมืองที่ดีรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ3สําคัญครับมีธรรมฉันท์าไฟรู้มีกตุกกรรมมัจยะ ต, ยตาฉันท์ธาไฟธรรกระทํำนะครับแล้วก็ให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามนักขี่ไม่ทะเลาะกันไม่แตกกันเราก็ได้ข้อที่สามแล้วใครมาเรียนกับเราไม่ว่าจะบาลีนักธรรมสายสามัญเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเราได้ข้อสข้อ4ครับนำประเทศไทยก้าวข้างกับดักที่มีรายได้กลางๆและลดความดื่มลั่มภายในประเทศหมายถึงที่ผมพูดน่ะนวัตกรรมครับให้ผลใช้นวัตกรรมใช้สติ ป, ปัญญาทีนี้เพื่อให้เพื่อข้อที่4ี่นวัตกรรมเนี่ยเขาจะต้องสร้างนักเรียนเป็นยังไงครับ จริงๆเนี่ยนะครับเขาเขียนเป็นภาษาไทยและในแผนการศึกษาชาติ20ปีข้างหน้าแล้วก็วงเล็ภาษาอังกฤษผมอ่าภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับผมเลยเอาภาษาอังกฤษมาอันนี้คือแปลแล้วมันศั์มันเข้าใจยากในภาษาไทยสรุปนะครับเขาให้มี 8c 3a ่าหมายถึงอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น แค่นี้แหละเด็กเนี่ยจะต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นไม่ว่าพื้นฐานนะครับจบประถมต่อมานะครับพอมัธยมเนี่ยหรือประถมมัธยมกันทางหนึ่งสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้ข้อหนึ่งนะครับสีที่หนึ่งสองสร้างสรร น, นวัตกรรมอย่างที่ว่าเรียนแบบสเต็มที่ว่าเนี่ยเอาเรียนเรื่องเดียวนี่ขยายไปหลายเรื่องเนี่ยคือ เ, เชื่อมโยงเนี่ย เหมือนเรียนกระทู้ธรรมะพุทธวินัยเชื่อมโยงกันนี่เขาเรียกนวัตกรรมข้อสามครับไม่คือคือเรื่องของความสามัคคีนั่นเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจาศาสนาอื่นเข้าใจคนที่ต่างจากเราเรียนรู้ใจกว้างซึ่งพุทธศาสนาเราสอนให้ใจกว้างต่อาศาสนาอื่นอยู่แล้วข้อสี่ครับรู้จักให้ความร่วมมือทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นา เราสร้างลักษณะนิสัยพระเมรุเรวฝึกให้เป็นผู้นำทำงานเป็นทีมได้ข้อห้าครับตรงนี้สำคัญก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมเขาเรียกวา่า compassion เป็นคนดีอีกอีกสามข้อไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้ว่าห้าข้อก็ได้ให้บุญแล้วครับให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีอันนี้คืออยู่ในแผนการศึกษาชาติ20ปีขา้างหน้าเริ่มแต่ปี60ไปถึงเจ็ด เราเวลาที่เรามาสมมุตินะครับตอนนี้เรากำลังขับผลักดันให้ได้พระราชยการศึกษาปริยเทธรรมเนี่ยมันก็เข้ากระบวนการที่เราจะพัฒนาโรงเรียนการเรียนการสอนให้เป็นระบบทําให้ผูท้ที่มาเรียนกับเราคิดเป็นสร้างแก้ปัญหาเป็นมีนวัร ก, กรรมมีภาษาเก่งภาษาอะไรก็ว่ากันไปการศึกษาทางเลือกนี้มันก็จะทาให้คนอยากเลือกเข้ามาเรียนครับ เขาจะเข้ามาในระบบการศึกษาของเราก็อยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องติดตามแนวโน้มนะครับเขาเรียกเทรนดะ์น่ยแนวโน้มว่าในที่สุดพรบการศึกษาที่จะทำมันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาตั้งใจจะให้ใ ห, ให้ให้ทันรัฐบาลนี้อันที่สองเมื่อออกมาแล้วเราจะทํำยังไงให้เข้ากระแสกระแสะของการปฏิรูปการศึกษาที่ผมพูดมาคือปฏิรูปการศึกษา น, นั่นเอง รวมถึงนนกกรเรื่องนวัตกรรม เ, เ, เ, เ, เรื่องอะไรต่างๆไม่ว่ากระแสในประเทศต่างประเทศเรื่องอเซียนรืออะไรต่างๆท่านก็ดูให้หมดเสร็จแล้วเรื่องของคุณภาพโรงเรียนหนึ่งตำบล น, นะฮะหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนเนี่ยเราจะทําได้ไหมและเอาแนวคิดเขาเนี่ยมาใช้กับโรงเรียนริทธิธรรของเราไม่ว่าจะนแผนกไหนก็ตามและมันจะต้องมีเกณฑ์ในการทําอย่างไรเช่นมีครูเท่าไรมีนักเรียนเท่าไรมีงบประมาณเท่าไรทุ่มไป ต้องมีเทคโนโลยีมีอะไรเท่าไหร่เราคิดโรงเรียนในฝันของเราโมเดลเอาไว้ซึ่งท่านไม่จช่เป็นคนคิดท่านไปถามโรงเรียนทั้งหลายต้องการอะไรอยากให้เป็นอะไรถามผู้บริหารคือเป็นผู้ประสานผู้บริหารนำแม่กองลงไปและเชื่อมความคิดระดับล่างยากกับข้างบนเชื่อมกันซูปเปอร์วิเซอร์เนี่ยคือคือตัวประสานนั่นเองนะในบทบาท ที่ท่านประสานส่วนบทบาทของการให้คําแนะนําสั่งสอนก็เรื่องนวัตกรรมเรื่องต่างๆที่ผมพูดมาบทบาทของการกํากับดูแลเรื่อง ก, การประกันคุณภาพซึ่ง ก, ก็พูดกันมาบ่อยแล้วครับก็ผมก็ขอถวายข้อคิดความเห็นเป็นอสารประดิน์หลักๆเพียงเท่านี้ครับในท้ายที่สุด น, นี้ขออํานาจให้คุณพระศรีรัตนไตรัยและบุญกุศลในการที่ช่วยกันประกาศธรรมะเป็นธรรมทาน ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัอยอำนวยอวยพรให้ทุกทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของพร ะ, พระประิยธรรมในการให้การนิเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมพระศาสนาให้เจริญไพบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโสโรครภยัยอุปทานรายทั้งปวงโดยเจริญ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกที่ภาราตรีการเทน